ตอนเรียนรู้อย่างไรให้เกิดปัญญาตามมรัะการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไมชีกัลยมิตรทุกคนก็เป็นปกติทุกคืนวันเสาร์นะพวกครูกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วก็มีมหาวิเลัยต่างๆก็เชิญไปบรรยายตอนนั้นก็ จัดหัวข้อนะเรียงลำดับไปพอไปถึงปุ๊บจิตมันไม่เอาเนาะมันไม่พูดตามเลยก็มันเอาตามอารมณ์เวลานั้นนะแต่ช่วงหลังพูดมายี่สกว่าปีนีย่ยเพราะทุกคืนวันเสาร์บางทีก็พูดแต่เรื่องเก่าๆเาพราะมันมีคนใหม่มานะทีนี้ก็ว่าเนื่องจากเวลาเราจำกัดก็ นั่งเรียบเบียงหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้ทุกคนเสียเวลาแล้วก็แก้วเขาก็อัดเทปทุกครั้งก็ออกไปยูทูปอะไรเนี่ยนะก็บอกให้ตั้งคําถามมาดีไหมถ้าพรอครูพูดก็พูดไอ้ธรรมะเพราะคนใหม่มาอารมณ์ใหม่ก็ต้องการให้เขาเข้าใจมันก็พูดเรื่องเก่าๆคนเก่าก็ฟังเรื่องเก่าๆเานาะแต่ขนาดฟังเรื่องเก่าๆ ก, ก็ยังไม่เข้าใจเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องอดทนฟังหน่อยวันนี้ก็ไม่ให้เสียเวลามาก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 คือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดาก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันก็มีคำถามว่าคือมีหลายคำถามนะพาะครูเลือกวันนี้มีแค่คำถามด้วยสองคำถามเท่า น, นั้นเองหละนะดิฉันเป็นครูอยากเรียนความถามพ่ะครูว่าที่มีนโยบายให้เพิ่มวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่ศิลธรรมในขณะที่ เจ็ดแปดหมวดวิชาที่สอนอยู่ก็เรียนแทบไม่ทันเพราะครูมีความเห็นว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นความจริงซึ่งเกิดขึ้นในเวลานี้นะก็ถามว่าพา่อครูมีความเห็นว่าอย่างไรคำตอบคือพ่อครูไม่มีความเห็นเพราะความเห็นเป็นแค่ความเชื่อยังไม่ใช่ความจริงนะ แต่ก็ไม่มีความรู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่เขาทำอยู่นะเพราะเป็นธรรมดาโลกเมื่อเจอปัญหาก็หาทางแก้ไขตอนนี้คงรู้สึกว่าผู้คนในสังคมไม่มีความรักชาติไม่รู้หน้าที่มีแต่เรียกร้องสิทธิและก็ขาดคุณธรรมเพราะไม่มีศีลธรรมจึงมองว่าเริ่มจากการศึกษาละทิ้งการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อปลูกสํานึกให้คนรักชาติทำให้คนทุกวันนี้ไม่มีความเป็นชาตินิยมมันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าการเรียนประวัติศาสตร์เพียงแค่การท่องจำสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วมาประเมินโดยการสอบว่าใครขยันท่องจำแค่ไหนเช่นยุคนั้นยุคนี้ ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนใครลบกับใครใครแพ้ใครชนะใครเป็นฮีโร่ก็ไม่ต่างอะไรกับการอ่านนวนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คงได้ความสนุกเพลิดเพลินแถมถ้าไม่ระวังก็ปลุกความเครียดแทนเกิดขึ้นทำให้เกิดอคติกับคู่อริในอดีตเพราะบันทึกประวัติศาสตร์ ของแต่ละชาติก็คงบันทึกสิ่งที่ว่าตนถูกตนดีถ้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์คือย้อนกลับไปหาข้อมูลในอดีตไม่ว่าภูมิสังคมสิ่งแวดล้อมชาติพันธ์การพัฒนาทุกๆด้านไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะการพัฒนาทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมือง ที่มีความผิดพาลาดล้มเหลวจะได้เป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์เพื่อเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกวิธีไม่ใช่เรียนแบบนกแก้วนกขุนทองเพราะสิ่งนี้ก็มีนักวิชาการถามบอกูยอยู่เพราะกำลังบ้านเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงนะทีนี้การเป่งวาจาออกมาโดยเฉพาะผ่านการอัดตรงนี้เนี่ยก็ต้อง ทุกคำพูดต้องให้มันอยู่ในกรอบหน่อยหนึ่งนะก็จงปลักอยู่แต่ในอดีตไม่ทำให้เกิดปัญญาใดๆความคิดจะคุมถุงชนให้เด็กว่านอนสอนง่ายนั้นมันหมดยุคเพราะเราไม่ได้อยู่ลำพังประเทศเดียวในโลกนี้นะเด็กจะเป็นเหยื่อด้วยนะไอ้เรื่องนี้ ถามครูว่าเรียนประวัติศาสตร์ดีไม่ดีแต่ไม่ไปท่องจําประวัติศาสตร์เหมือนเรียนพุทธศาสนาไม่ไปท่องจําพุทธประวัตินะไปจำสิมห้ามีอะไรศิมแปดสิมสิบมีอะไรรู้หมดเลยแต่ทําไม่ได้มันไม่มีสาระอะไรนะอันนี้พวกครูไม่ได้ขัดแยง้งแต่ว่าต้องระวังถ้าเรียนแบบที่ผ่านมานะ่ยก็ท่องจําแล้วก็ไปสอบประเมินผลว่าใครขยันอ่าน ใครจำเก่งนะเราเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ปลุกแค่ถ้าเกิดให้มันเกิดปัญญานะเขารักชาติด้วยตัวเขาเองหรอกแผ่นดินนี้เขาต้องอาศัยอยู่เนะี่ยใครจะบุกลุกไม่ได้แล้วเขาจะมีสํานึกถ้าเขามีปัญญาแต่ตอนนี้ให้ไปท่องจําเหมือนนกแก้วนกขุนทองว่านอนสอนง่ายเนี่ยอันนี้คนไทยหลอกกันเสียเวลาเปล่าแล้วพวอครูเห็นด้วยกับที่คุณครูแกถามว่าเจ็ดปวดมดแปดหมดวิชาท่องจํายังไม่พอเหรอ แม้กระทั่งภาษาไทยเนี่ยเด็กก็ยังสอบตกตอนนี้จะเอาภาษาอาเซียนอย่างนะคือเราไม่มีหลักเราไม่มีหลักของการศึกษาเราเห่ไปตามกระแสะโลกเด็กเป็นเหยื่อนะยิ่งเด็กในชายแดนตรง น, นี้เนี่ยมันพูดไทยก็ไม่เป็นไม่ใช่ว่าเขียนภาษาไทยนะพูดไทยก็ยังไม่ได้เลยยังจะให้ไปเรียนภาษาอาเซียนเพราะครูเลือกแล้วละ่ะภาษาอาเซียนคือเรียนภาษาลาวไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะ ภาษาอังกฤษไม่ใช่อาเซียนซะหน่อยหนึ่งก็ไปเหอ่าตามเขาส่วนเรื่องหน้าที่ศีลธรรมนั้นก็ไม่ใช่วิชาเรียนเพื่อให้สอบได้แต่เป็นจริยวัตรที่จะต้องทำเป็นปกติศีลคือความปกติคนเราต้องกินต้องนอนต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพต้องหายใจโดยพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าต้องมีปัจจัยสี่ชีวิตก็ดำรงอยู่ได้โดยมีความสุขตามอัตภาพ แต่คนทุกวันนี้ไม่ทําหน้าที่ตามปกติแต่ทําเพื่อราบยศสรรเสริญมันจึงทุกข์เพราะมันไม่ปกติมันจึงผิดศีลเราทําเกินเลยเราไม่เอาที่หมู่บ้านนี้พวอครูเคยเจอนะพวกครูเคยลงทุนให้เขามีแพรไปมุดน้ําในน้ําตอนนั้นอะ่ะในในแม่น้ํเาเขื่อนเนี่ยเอาไม้ขึ้นมาเขาก็เลื่อยเขาก็ตัดสร้างบ้านตัวเองแล้วก็ที่เหลือก็ขายขายไม้บ้าง สุดท้ายมองปุ๊บรือบ้านขายเอาปัจจัยสี่ไปขายแล้วก็ไปซื้อโทรทัศน์มาแล้วก็มาอยู่ในกระต๊อมม้งญ้าเราไม่เอาปัจจัยสี่เราปัจจัยที่ห้าที่หที่เจ็ดแล้วไปกู้นี่หญิมสินเขาซื้อตู้ว้างซื้อตู้เย็นอะไรบ้างแล้วพอไม่มีเงินจ่ายเขาก็มายึดไปเห็นไหมเราไม่ทําตามความปกติของมนุษย์ คือทำอยู่ทำกินเห็นไหมเราต้องทำขายก่อนแล้วก็ถ้ามีกำไรก็เอามาซื้อกินเนีคำว่าผิดศีลเนี่ยไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลปฏิโมกข์ศีลคือความปกติมนุษย์เราต้องอยู่ต้องกินต้องทานนะนี่คือหน้าที่ตอนนี้แต่หน้าที่ศิลธรรมกลายเป็นตัวหนังสือกลายเป็นวิชาอาจารย์ที่โรงเรียนพวอครูเนี่ย ผู้อบุโสที่โรงเรียนนะตรงด่านเม่นเนี่ยเขาเคยขอพ่อครูว่าขอห้องพิเศษหน่อยพ่อกรูว่าเอาไปทำอะไรแกบอกว่าเอาไปสอนจริยธรรมสอนอยังไงสอนไหว้ท่านน้นท่านี้นะสอนให้คารวะผู้ใหญ่พ่อครูบอกว่ า, วาจริยธรรมเนี่ยไม่ใช่วิชาเป็นจริยวัดที่ต้องทําบ่อยๆเป็นปกติเหมือนเรากินข้าวเราอาบน้ํา น, นี่แหละ จากนี้ไปคุณครูเจอเด็กไหว้เด็กก่อนโรงเรียนมาเช้าวัน ด, ดีจ้าหนูวันเนี้ยเราไหว้เขาก็ไหว้เรานี่คือจริยธรรมของคนไทยตอนนี้เราทําลายหมดแล้วก็เอามาสอนมันไม่ได้ผลหรอกนะทั้งประวัติศาสตร์ทั้งหน้าที่ศิลธรรมถ้าไปสอนกับแบบนกแก้วหนงคุกขุนทองเพราะตอนนี้สื่อสารทั่วโลกสมัยก่อนเราคุมถุงชนได้ ตอนนี้เราปิดกั้นเขาไม่ได้ละเขามีสิ่งเปรียบเทียบนะถ้ายังไปคิดแบบเก่าว่าจะอบรมเด็กๆนี่ให้ว่านอนสอนง่ายแล้วก็อยู่ในกรอบที่เราสั่งการเขาได้นะ่ะไม่สําเร็จแล้วก็เด็กเราจะไม่มีปัญญานะแล้วจะเป็นอาเซียนการแข่งขันยุ่ยแย่งก็มากขึ้นมันไม่มีปัญญาเดี๋ยวมันสู้เขาไม่ได้แต่ไม่ต้องสอนให้เขาว่า เก่งเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่นะต้องให้เขารู้หน้าที่ศิลธรรมจริงๆนะก็มีหน้าศิลธรมรมหน้าที่ศิลธรรมจรึงหมายความว่าทำหน้าที่ตามปกติตามธรรมชาติทำนะทำไม่ใช่ท่องจำไม่ใช่เรียนรู้ภาษาเฉยๆต้องสอนให้เขาทำให้เขาเกินเป็นคนมีความสำนึกรับผิดชอบหน้าที่เขาจริงๆ ทำหน้าที่ตามความปกติสินคือความปกติหิวก็กินง่วงก็นอนเจอหน้ากันก็ไหว้มันเป็นจริยวัฒนไม่ใช่วิชาสอนนะคนทั่วไปท่องจำประวัติศาสตร์คนฉลาดสร้างประวัติศาสตร์ให้คนจำตอนนี้เราสอนให้ลูกหลานเราไปท่องจำประวัติศาสตร์มันไม่กล้าสร้างปร ะ, ประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยเพราะมันคิดไม่เป็น มันไม่มีเวลาคิดมันถูกบังคับให้ท่องจำแล้วลูกหลานเราจะไปยังไงล่ะนะคนทั่วไปท่องจำประวัติศาสตร์คนฉลาดสร้างประวัติศาสตร์ให้คนจำคนทุกวันนี้ไม่กล้าคิดนอกกรอบเพราะมันไม่เคยสอนเรียนวิชาคิดเลยถูกบังคับให้จำนะแม้กระทั่งการสอนสาศาสนา ก็สอนให้ไปท่องจําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาประเมินว่าเธอจํำไหมเธอท่องไหมไม่เคยสอนให้มันทําตามพระพุทธเจ้าเลยแล้วมันจะพ้นทุกได้ยังไงเห็นไหมเขาจําจนจบด็อกเตอร์จบป ร, ริญญาเก้าแล้วเขายังทะเลาะ ก, กันอยู่นี่พานเป็นอัตตาหน้าตานั่นเห็นไหมตอนนี้การเป็นอย่างนี้ไงผูค้ครูบอกการศึกษาก็พายเรือในอ่างเหมือนเก่า ที่บอกเจ็ปหมดวิชายังสอนเรียนไม่ทันเลยมันยังจําไม่พอเลยเพิ่มอีกสองวิชาแล้วคุณจะลดวิชาไหนล่ะเลิกหมดวิชาทั้งหมดเลยไหมเอาแค่เหลือศีลสมาธิปัญญากับหน้าที่ศิลธรรมประวัติศาสตร์ใช่ไหมถ้าเรียนประวัติศาสตร์แค่ท่องจําเฉยเฉยเนี่ยเด็กไม่ได้อะไรนะเขาไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยแต่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้าเรียนแบบวิทยาศาสตร์ก็คือว่าไปเรียนรู้ว่ายุคนั้นอ่ะเขาทํำยังไงนะผลก็มันเป็นยังไง เรียนรู้เอาเป็นข้อมูลเพื่อเราจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยสร้างอนาคตของเราถ้าไปแค่ไปท่องจําแล้วไปเข้าใจว่ามันจะรักชาติเนี่ยอันนี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดนะอเมริกาเนี่ยเขาสร้างมาแค่สองร้อกว่าปีมันเหมือนคนอิสระอะไรต่างๆนาน า, น า, นานเนี่ยแต่ถ้าไปแตะต้องชาติเขาไม่หลเขาไม่ยอมนะมันเกิดจากสํานึกไงเพราะเขาเห็นคุณค่าของประเทศประเทศทําให้เขาอยู่ดีกินดีนะ แล้วประวัติศาสตร์สมากจะพูดถึงเรื่องฮีโร่เรื่องคนเก่งนะไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมยุคนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้คนไม่เขาเรียนประวัติศาสตร์แล้วเขามาทํามีกี่ประเทศรู้ไหมในข้างตัวเราเนี่แหละไม่ใช่เรียนประวัติศาสตร์แค่รู้ว่าเขาทําอย่างไรอะไรนะ่ะแต่ไม่ปฏิบัตินะพี่น้องเพื่อนข้างประเทศเราเนี่ยเห็นไหมรัฐมนตรีของพมา่าเนี่ย ยังนุ่มสลงนะเข า, เาประวัติศาสตร์มาใช้เห็นไม้มนายกเขามาเมืองไทยไม่พูดภาษาอังกฤษเขาพูดภาษา พ, พมา่าประธานดิบดีรัสเซียมาเมืองไทยไม่พูดภาษาอังกฤษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมาเมืองไทยไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เขาไปท่องจํ า, า, าประวัติศาสตร์เขาประวัติศาสตร์มาใช้เลย นายกเขมรมาเมืองไทยประเทศลเล็กๆเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาเขมรคุณอยากรู้คุณเอาล่ามมาแปลเมืองไทยขี้เห่อมากเกินไปเห็นไหมแล้วเรียนประวัติศาสตร์ท่องเฉยๆแต่ไม่เอามาใชา้นะเด็กเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามอย่าคิดไปเปลี่ยน เป็นตะกัวเป็นหุ่นยนต์เพียงเพิ่มเจรไนสิ่งที่ขาดให้สมบูรณ์ขึ้นตอนนี้เด็กทุกคนเกิดมาถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามไม่งั้นไม่เกิดไม่ได้เกิดมาในร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐเพชรเม็ดงามนีแค่เราเจียรไนให้มันมาก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วตอนนี้เราสอนเด็กให้มันเป็นนักท่องจําว่านอนสอนง่ายมึงต้องโง่อย่างนี้เถอะ แล้วการแข่งขันเสรีเราจะไปสู้เขาได้หรือเปล่าเด็กเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้ไปก๊อปปี้ความรู้คนอื่นหมดแล้วตอนนี้ฝรั่งเข้าอินเทอร์เน็ตมาหลอกเราเด็กเขาก็เก่งว่าอู้ฉันรู้ทั่วโลกเลยรู้หมดเลยคุณแม่อย่าพูดนะเต่าล้านปีคุณแม่พูดมาคํานึงเถียงไปสิบคำเลยเพราะว่าเขาหลงว่าเขารู้ไง ความรู้ที่เขารู้นี่ไม่มีแม้แต่หนึ่งความรู้เป็นของเขาเองที่เขาคิดขึ้นมาเลยเขาเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้ยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้คุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องการศึกษาเป็นอย่างนี้ไงท่องจําแบบนกแก้วนกขุนทองไงอินเทอร์เนต็ตนี่คือกับดักทางความคิดเด็กไปหลงมันเมื่ อ, อไหร่มันจะคิดไม่เป็นเห็นไหมสมัยก่อนเราต้องท่องสุดคุณ บวกลบคูณหารในสมองได้ตอนนี้เครื่องคิดเลขนะไม่ต้องใช้มาแล้วถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขนี่เป็นง่อยเนี่ยเด็กไม่มีเวลาคิดเลยมิแต่ว่าเวลาถูกบังคับให้ผู้ใหญ่จำตอนนี้แม้กระทั่งพุทธศาสนานะแม้กระทั่งการสอนพุทธศาสนาโดยให้เด็กท่องจำคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยสอนให้เด็กทาตามพระพุทธเจ้า สุดท้ายก็เป็นแค่คนรู้คำสอนแต่ไม่พ้นทุกเหมือนพระพุทธเจ้ากลายเป็นว่าสอนลูกหลานเราให้เป็นแค่คนว่านอนสอนง่ายแต่ไม่เกิดปัญญาต่อไปยุคแข่งขันเสรีที่ดุนแรงขึ้นทุกวันพวกเขาจะอยู่ได้อย่างไรผู้ครูไม่โทษเด็กนะเด็กน่าสงสารมากผู้ใหญ่เราสร้างสังคมเร็วๆให้เขาอยู่ เพราะผู้ใหญ่มักง่ายตั้งหลักสูตรเดียวทั่วประเทศไม่ว่าชนชั้นไหนน่ะเรียนเพราะว่าฉันจะได้ควบคุมง่ายฉันประเมินง่ายเด็กโง่ไปหมดไม่ปล่อยเขาคิดอย่างอิสระเพราะครูยอยู่อเมริกาเนี่ยเด็กมันเรียนห้องเรียนในครึ่งวันก็พออีกครึ่งวันไปทำกิจกรรมอะไรก็ช่าง เวลาที่เขาเล่นกีฬาเวลาเขาทำกิจกรรมเขาได้คิดเล่นกีฬาก็ต้องคิดนะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาอันนี้ท่องจำจันถึงสุขไม่พอเสารทิดไปท่องจำต่อเด็กมันน่าสงสารมากพวกครูถามว่าลูกเรียนพิเศษทาไมเห็นไมคนขยันเห็นไห ม, น ข, นหนไหมขนาดวันหยุดเขายังไม่ได้หยุดเลยแสดงว่าเป็นเด็กดีรับผิดชอบเขาบอกว่าถ้าไม่ไปเรียนพิเศษเขาก็สอบเข้าโรงเรียนดีๆไม่ได้ เด็กเป็นหุ่นยนต์นะผู้ใหญ่เรากาลังจะทำให้เพชรเม็ดงามเนี่กลายเป็นหุ่นยนต์กลายเป็นตะกัวโอเคกำลังเปลี่ยนแปลงพราะพวกกูยังเงียบหูฟังอยู่การศึกษามีอะไรเปลี่ยนบ้างก็มีเปลี่ยนนะเพิ่มภาละให้เด็กมาท่องจำเพิ่มขึ้นภายเหลือในอ่างการศึกษาเพื่อเรียนรู้ แต่ตอนนี้การศึกษาเพื่อเรียนแบบเน้นการเรียนโดยการสอนไม่เน้นให้ผู้ให้เรียนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกวัดผลด้วยคะแนนไม่ได้วัดผลด้วยความประพฤติของเด็กมักความมักง่ายของผู้ใหญ่นะก็คำถามเดียวก็ยาวละ คำถามอื่นพ่อครกูก็มาเอาไว้วันหลังนะวันนี้ก็มีเรื่องสดๆนะพูดเรื่องสดๆพ่อครูเดินไปจากศาลาจะไปที่ครัวนะเห็นผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งกำลังกวาดใบไม้อยู่กวาดแบบฟุดพัดพุดัดฟุดัดพุดั ด, ด, ด, ดพ่อครูบังเอิญเห็นจิตพ่อครูถามว่า จิตเอาไปอยู anyway, ่ท e? ี่ไหนเขาบอกว่ามันฟุ้งซ่านไปหมดเลยก็เห็นก็รู้ไงเขาใช้มือกวาดเท่านั้นเองเขาไม่ได้ใช้จิตกวาดนะแล้วคุณกวาดไปทําไมที่เรากวาดใบไม้เนี่ยมันเป็นอุบายวิธีขัดเกลิกิเลสถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นสติตื่นรู้กับการกวาดนั้นนะได้เต็มๆนะใบไม้สับว่าเปรียกเสมือนกิเลสใบไม้เก่า วกวาดออกไปยังไม่หมดใบไม้ใหม่ล่วงลงมาอีกชีวิตเราก็เหมือนกันใบไม้เก่าที่เลียดเก่ายังไม่ออกเลยพอคิดปึ๊บโกรธเขาใบใบไม้ใหม่มันก็ร่วงลงมาเห็นไหมอันนี้มือก็กวาดไปแต่แกบอกว่ามันฟุงน้งซนะ่านนะก็เห็นจิตไงแสดงว่า ที่คุณเสียเวลาเนี่ยเหมือนว่าเราเสียสละเวลาเราเนี่ยมาทำบุญมันเป็นแค่กิริยาในการทำบุญเนี่ยจิตไม่เป็นกุศลเลยไม่เป็นกุศลเรบุญเลยเสียเวลาเปล่าแล้วไม่ใช่เสียเวลาเปล่านะไม่ได้บุญเลยนะเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกความคิดส่งออกเนี่ยคือสมูทัยผลของการส่งออกคือทุกข์การกวาดใบไม้เป็นการอุบายวิธี ในการขัดเกาอกิเลสอย่างหนึ่งแล้วเป็นการสร้างพลังสมาธิกับสติพวกคุณเห็นเลยว่ากวาดไปอย่างนั้นล่ะกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดแต่จิตมือลอยไปไหนก็ไม่รู้นะเอามือกวาดไม่ได้ใช้จิตกวาดไม่ใช่เสียเวลาเฉยๆนะ สร้างกรรมใหม่ด้วยมโนกรรมแล้วเขาก็พูดออกมาวันนี้พ่อครูจะไม่เอ่ยชื่อนะวันหลังจะเชิญขึ้นมาพูดเขาบอกเขาโกรธพ่อครูเขาโกรธพ่อครูเขาเอาขาเขาไปเตะต้นไม้ จนเจ็บขาพระครูบอกทำไมไม่หัวชนเลยนถ้าศรัทธามีคำด่ากลายเป็นคำสอนถ้าศรัทธาหมดคำสอนกลายเป็นคำด่ายี่สปีพระครูด่าใครก็ไม่ได้ด่าใครก็ไม่เป็นพระครูมีแต่คำชี้นำชี้แนะ บางเอิญเขาพูดอะไรเขาไม่เคยฟังอะไรเท่าไหร่ลุกดีลุกโลนจะไปก็ไปจะมาก็มาเป็นคนนิสัยถือวิสาจะเพราะกูเห็นจิตนะก็เลยไม่เป็นไรไงสงสารแต่เขาไม่เคยเห็นตัวเองเลยเขาบอกว่าพา่อครูกดพ่อครูน้อยใจพ่พอครูทําไมพ่อครูลําเอียงพอหนูจะถามพ่อครูเนี่ยก็โดนด่า แต่เห็นคนอื่นคุยกับพรอครูเนี่ยเป็นนานๆเลยพ่อครูไม่เห็นว่าอะไรพ่อครูบอกคุยกับลิงต้องใช้ภาษาลิงคุยกับเสือต้องใช้ภาษาเสือคนอุ่นเขาถามแล้วเขาได้แต่คุณถามเนะ่เสียเสียเวลาพรอครูไม่ต้องเสียเวลาพรอครูไม่กลัวเสียเวลานะแต่คนถามมาเสียเวลาแทนที่จะถามแล้วได้เกิดปัญญาลดกิเลส แต่ถามตามกิเลสถามแล้กิเลสก็สะใจแล้วก็ถามแต่เรื่องไม่มีสาระพวกครูไม่เคยว่าไนเะตือนสติแต่ไม่เคยได้ยินเลยเขาก็บอกว่าวันนั้นพ่อครูพูดเองว่าพ่อครูเป็นศีลานีพอกคุณฟังได้แค่นั้นเหรอเพราะว่าสติไม่อยู่เลยพ่ะครูบอกว่าทําเหมือนพรอครูเป็นศีลานี กินไม่ได้ปวดท้องก็ถามพ่อครูพ่อครูไม่ได้บอกว่าพ่อครูเป็นศีลานีอะไรก็ถามพ่อครูทำเหมือนพ่อครูเป็นศีลานีเขาไม่ได้ยินทั้งหมดเขาบอกพ่อครูพูดอย่างทำอย่างว่าพ่อครูเป็นศีลานีพอเขาถามปุ๊บก็ถูกด่าคำสอนกลายเป็นคำด่าใช่ไหมมันไม่ก้าวหน้านะคือ ชีวิตเราที่หนีมาเพราะมันทุกข์ไงเพราะเราเป็นอย่างนี้ไม่เคยฟังใครเลยไงเครียดมาก็มาเจอแล้วก็ดีระดับหนึ่งนะเอาละไม่ต้องศรัทธาคูบาอาจารย์นะอย่าเพิ่งเชื่อแค่มารยาทก็ต้องมีอะไรควรไม่ควรบางคนบวชชีแล้วได้บางคนบวชชีแล้วมันเสียถ้ามันเสียแล้วคุณจะบวชทำไมยกตัวอย่างเนาะ อันนี้เรียกร้องสิทธิยี่้าปีพ่อครูด่าใครไม่เป็นเนะเาะพวกคูมีแต่เมตตาบางครั้งพ่อครูจริตพ่อครูเองเนี่ยคือเสียงดังแต่เสียงดังแบบเมตตาไม่ใช่อารมณ์โกรธแต่ถ้าเราศรัทธาครูบาลจริงๆเนี่ยถึงเขาท่านจะด่าเราก็ช่างเราก็ต้องเอาไปคิดเราต้องไม่มีอะไรต้านเลยอันนี้ โอดพ่อครูมากเอาขายไปเตะต้นไม้พ่อครูว่าทำไมไม่เอาหัวชนไปเลยมันจะได้ตื่นสักทีหนึ่งความโง่น้อยใจเพราะถามหน่อยก็ถูกว่าแต่พอคุยกับคนอื่นนานๆก็ไม่เป็นไรพ่อครูจะเล่าเรื่องอาจารย์ชยสาโลให้ฟัง ท่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาพอถึงคิวท่านปุ๊บไปนวดคูบาอาจารย์นวดไปด้วยกระยิมยิ้มย่องไปด้วยโอโ้มีความภาค ภ, าคภูมิใจมากหลวงพ่อชาถีบเลยน้อยใจอยู่สามปีนะแล้วพอหลวงพ่อชาถามถามถามพอถึงอาจารย์ชยาสาโลข้ามทุกครั้งน้อยใจอีกคิดว่าครูบาอาจารย์ไม่รักแต่ท่านก็ไม่หนี เห็นมท่านถึงผ่านพน้นมาได้ทุกวันนี้ไอตัวน้อยใจล่ะไอ้ตัวโกรดนั่นล่ะกดมันไว้เลยนะทำอะไรโง่ๆนะก็ที่เขาหมายถึงว่าพ่ะครูรู้แล้วว่าอ๋อรู้แล้วพ่ะครูได้ยินข่าวว่ามีคนบ่นอยู่นะเห็นจะคุยกับอาจารย์อ้อยเห็นต่คุยกับอาจารย์อ้อย ทีฉันไม่เคยคุยเลยถามหน่อยหนึ่งก็ดา่าอาจารย์อ้อยบอกว่าพ่อครูไปคุยกับเขาหน่อยสิพ่อคูยังหาตัวไม่เจอนะอันนี้แค่พูดคํานึงบอกว่าโกรธพูดแค่คำหนึ่งก็น้อยใจเอาขายไปเตะแล้วจะพูดได้หรือเปล่าเนี่อาจารย์อ้อยทําไมต้งพูดอย่างนี้วันนั้นแกนั่งแกเป็นครูบาอาจารย์นะแกเป็นอาจารย์สอนปริญญาเอกนะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ พเพราะกูเห็นจิตแต่ละดวงอินทรีย์พระมันไม่เท่ากันการใช้ภาษาก็ต่างกันถ้าพ่อคูใช้ภาษากับอาจารย์อ้อยเนี่ยพูดกับใครก็ช่างกูไปดีกว่าเอ้าไหมอาจารย์อ้อยหมูนปวดหัวปวดหัวปวดหัวปวดร้ววดววดองกเกือบจะตายเห็นไหมวันนั้นน่ยน้ำลายฟูมปากเลยเกิดมาแกไม่เคยบอกไม่เคยทำอย่างนี้เลย พ่อครูเดินไปปลอบใจไหมพ่อครูบอกสมน้ำหน้าแกบอกปวดหัวเจ็บตัวทั้งตัวเนี่ยยังไม่ยังยังยังไม่พอเจ็บใจอีกแต่ไม่เคยหนีสักทีหนึ่งบางคนต้องภาษาใช้ภาษานิ่มๆบต้องถ้าภาษาแรงๆถ้าไม่แรงมันไม่ตื่นนะแต่ถ้าไม่ศรัทธาปุ๊บเนี่ยอย่าว่าแรงเลยพูดเฉียดหูหน่อยหนึ่งกูไปดีกว่า กูไปเตะต้นไม้ดีกว่าวันหลังอย่าเตะนะเอาหัวชนเลยนะให้มันหายโง่สิทธิ์โง่ไปเรียนเซนต้องรู้จักโง่บ้างอย่าอวดฉลาดนถ้าพูดภาษาพื้นๆบอกว่าอาจารย์อ้อยบอกว่าแต่ละดอกที่แกเจอเนี่ยไอคนที่พูดเนี่ยพ่กครูเอาไปให้เขาแบ่งเขาหน่อยนึง กำลังเขารับไม่ไหวหรอกแค่พูดเฉียดๆทีนี้หนึ่งก็โกรธพ่อครูน้อยใจพ่อครูเขาไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่นิดหน่อยนิดหน่อยก็ถามนิดหน่อยก็ถามมันไม่มีสาระอะไรมันไปนสนองกิเลสไม่ใช่ถามแล้วพูดปึ๊บแล้วก็ดับกิเลสตัวเองได้มันไปเพิ่มกิเลสอันนั้นแหละคุณถามแล้วคุณเสีย คุณไม่ได้อะเลยแถมเพิ่มกิเลสอีกแล้วคุณจะไปถามทําไมบอกเวียงทิ้งถ้าครูบาอาจารย์บอกเวียงทิ้งเธอเวียงไปเรื่อยเื่อยเธออยากถามเขาบอกว่าดับทุกทุกดับที่เหตุแห่งทุกไงตอนนี้เขาทุกเพราะว่าเขาอยากรู้เขาไม่รู้ถ้าบอกความรู้ก็าปุ๊บเขาก็หายทุกไงเขาเข้าใจอย่างนั้นนะอันนี้ปลายเหตุอ๋อรู้แล้วสบายใจแล้วนอนหลับแล้วเราเอาอาหารให้ไอตัวอยากรู้มันกิน กำลังมันก็มากขึ้นพรุ่งนี้มันก็อยากรู้เรื่องอื่นดีเราต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันคือเวียงไอตัวอยากรู้ทิ้งซะอันนี้อยากรู้ทุกเรื่องพวกครูวันนี้สามขำ้ข ำ, ขำข้ำข้อได้ไหมเดี๋ยววันหลังถามอีกได้ไหมกำลังเต้นเต้นเต้นเสียงดังดังวิ่งมาจะถามอบอกเวียงไปเวียง บอกน้อยใจน้อยใจเนาะทีหลังอย่าไปอย่าไปเตะต้นไม้นะเอาหัวโขกเลยมันจะได้หายโง่สักทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าอสู่กันฟังว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือเราไม่มีสติสตังฟังเนี่ยประโยคทั้งหมเนี่ยเราฟังได้ครึ่งหนึ่งฟังแท้ไอ้ตัวที่เราชอบ นั้นพ่อครูบอกเป็นศีลานีไงงั้นถามได้ทุกเรื่องสิกินไม่ได้นอนไม่หลับปวดท้องก็ถามได้สิถ้าถามได้น่ะดีแต่ถ้าถามแล้วมันเสียเวลามันเพิ่มกิเลสนี่ยอย่าถามวันนั้นพ่อครูบอกว่าอ่ะถามเหมือนพ่อครูเป็นศีลานีเขาจะยินว่าพ่อครูบอกว่าพ่อครูเป็นศีลานี เห็นไหมเหมือนเราไปแปลคําว่าอาวิชชาผิดนั่นแหละอวิชชาไปแปลว่าความไม่รู้แถมในวงเล็บคือความโง่ตั้งหากทุกคนกลัวว่าตัวเองเป็นคนไม่รู้เป็นคนโง่เลี้ยนใหญ่เลยเลี้ยนใหญ่เลยจะกลายเป็นคนรู้ไม่ใช่ไม่รู้จบด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะบ่แวงกัน ชาวนาเขาสอนควายไถายนาได้เห็นไหมเพราะมันไม่ผ่านความรู้มันเอาความจริงมาสอนกันเลยไงจุงไปจุงมามันก็เชื่องแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากรู้อยากหาคำตอบเรามักง่ายไม่สแสวงหาเองโดยการปฏิบัติเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยพกากครูเห็นทุกคนนะ เพราะครูเมตตาทุกคนเพราะครูเข้าใจทุกคนเพราะครูเห็นใจทุกคนเข้าไปในใจทุกคนได้นะเพราะครูจึงไม่ตามใจไงมีแต่กิเลตทั้งนั้นเลยไนงะถ้าใครถูกครูบาอาจารย์ด่านะจกยุกมือท่วมหัวเลยนะท่านเสียพลังมากลจะเกินแทนที่จะตื่นนะยังช็อต หมอเอสเน่ยวันนั้นมาพูดที่นี่วันเสาร์บอกว่าพรากูพูดเตือนในแต่แล้วที่นี่มาอยู่ง่ายๆนะแต่อยู่ยากๆเนะี่คุณเล็กเมื่อกี้อยู่ในครัวบอกจริงเลยใช่ไหมมันไม่ได้ยากเพราะที่นี่ไม่มีอะไรไม่ดีนะมันยากเพราะเราไม่ทันเพราะที่นี่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีระเบียบวินัยไม่มีข้อบังคับไงเด็กมันก็ต้องดื้อ ย, อย่างเด็กคนนิสัยอย่างนี้ก็ยิ่งไสัย ถ้าถามย่อยศูนย์นี่เป็นยังไงอยากรู้นะเดี๋ยวเราจะเห็นนะมายืนดูนานาจิตตังคนนี้ร้องไห้คนนี้หัวเลาะขนาดที่เขาร้องไหน้นั่งหัวเลาะฮ่าฮ่ า, าดีใจว่ามันร้องไห้เนาะถ้าอยู่ในทางโลกมันชกตะชกกันแล้วต่อยหน่อยหนึ่งมึงเยอะเยยกุลเลยคนนี้กิ้งคนนี้เต้นคนนี้ลั่นี่คือศูนย์ไงนี่คือธรรมะไง ไอ้ธรรมะอะไรจะเป็นแบบนี้ธรรมชาติมันไม่เหมือนกันไงลรวจะไปสอนเป็นหุ่นยนต์ท่องจำแบบที่เขาสอนกันอย่างนี้เหรอนี่คือธรรมะธรรมชาติของจิตนี่คำว่านานาจิตตังมันบอกอยู่แล้วว่าแต่ละดวงจิตมันไม่เหมือนกันจะบังคับให้เป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดนั่นหละคือว่านอนสอนง่ายมึงทาไปเถอะสติตรงนั้นแหละปัญญาตังนั้นแหละ มัวแต่งมสติปัญญาเอ้งมสติงมสมาธิเลยไม่เข้าไปถึงปัญญาไงถ้าอยากเข้าถึงกล่องปัญญาเนี่ยมาเอาหัวโขวนเราออกเอาท่าทีเราออกจะวางฟองวางท่าเห็นไหมพอจิตมันหมุนปุ๊บเนี่ยอาจารย์เดชาบอกกิ้งเขาลอ่อเขาลอ่อหมดท่าเลยมันต้องเอาท่าออกก่อนเอาฝาออกจิตมันถึงแสดงตัวได้ เห็นไหมนี่คือศูนย์พลานข่อยงไงเราจะเอาไปความคิดแบบตักกะว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันเสมอภาคกันอันนั้นเราถูกฝรั่งหลอกนะลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันด n a อเหมือนกันเลยไอคิวมันยังไม่เท่ากันเลยไปด่าธรรมชาติไหมไม่เป็นธรรมไหมพ่อครูไม่เป็นธรรมพ่อครูเลือกที่รักมากที่สั่ง มีที่ไหนกล้าพูดกับครูบาจารย์มีที่นี่แล้วก็พูดแล้วก็ไม่โกรธด้วยนาะมีแต่เมตตาสงสารมิตรรุ้นให้ผ่านอารมณ์นั้นไปได้สักทีหนึ่งเธอเนาะแล้วก็หนีทุกมาแล้วไงแล้วจะมาทําให้มันสร้างให้มันทุกเกิดที่นี่เหรอกวาดใบไม้ก็ดีแล้วไงกวาดแล้วก็ให้มันได้สิได้อา น, นิสงฆ์ใช่ไหม ได้สติได้สมาธิให้มันเกิดปัญญาอันนี้กวาดไปด้วยคิดไปด้วยเนาะสงสัยไปด้วยที่กวาดกวาดไปไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมเสียเวลาเปล่าทําแล้วมันได้ก็ทําสิแต่ทําแล้วมันเสียไปทําทําไมเสียเวลาไม่พอนะไปสร้างกรรมใหม่อีก คิดโน่นคิด น, น, ดนี่เพิ่มกิเลสอีกนะไม่ใช่วาเขา้พาครูให้ความสาคัญใครมากน้อยแค่ไหนแต่และคนเนี่ยในเวลานี้มันไม่เท่ากันนะบางคนนี่ยิ่งพูดกับเขามากเนี่ยเขายิ่งเอาไปคิดเสียเวลาจะเอาคำพูดนั้นไปตีความบางคนพูดปุ๊บเขาสว่างเขาเอาความ เขาหยุดความคิดเขาได้เนะพราะกูทำอะไรทุกอย่างก็คือเมตานั่นแหละแต่เมตตาแต่ละคนไม่เหมือนกันการใช้ภาษาก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมคุยกับดิงหราจะใช้ภาษาคนได้หรือเปล่าหก็ต้องใช้ภาษาลิงสินะเด็กๆที่นี่ไม่ค่าทั่งเมชีที่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะ ไม่ใช่ไม่มีใครทาผิดนะมันไม่ใช่ถูกด้วยผิดแต่มันผิดพลาดเพราะครูไม่ต้องให้อภัยใครเลยนะเพราะครูไม่ใช่เจ้าชีวิตเขาไม่มีสิทธิ์ให้อภัยด้วยแต่พระครูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไงพาะครูไม่ตัดสินถ้ามีโอกาสก็ชี้ทางเตือนสติใช่ไหมล่ะมันมี วัดเซนอยู่แห่งหนึ่งเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน mm hmm. ก็ไปฟ้องอาจารย์ฟ้องหนึ่งครั้งอาจารย์ก็เฉยสองครั้งก็เฉยว่าไอ้คนนั้นมันไม่ดีมันทำโน่นทำโน่นทนํานี่นะเพราะไอ้คนนั้นเป็นยังไงมันเดินครูบาอาจารย์ที่เป็นเซนเดินมาสองท่านเห็นสตรีตกน้ำอีกท่านหนึ่งก็โดดลงไปช่วยเลยไงพอถึงฝั่งท่านก็วางออกมา อีกรูปหนึ่งบนตลอดทางไม่สำรวมแล้วผิดศีลแล้วไปแต่ต้องสตีทำไมเห็นไหมตอนนี้บอกเสร็จแล้วเท่านี้เห็นชัดเจนเลยพอฟ้องอาจารย์มาตั้งหลายครั้งอาจารย์ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนที่เลยนั่งเหมือนตั้งมั่นดังขุนเขาตอนนี้เป็นพยานชัดเจนเลยเธอหนีไม่พ้นแล้วก็ไปฟ้องอีกนี่ไปยุ่งกับสตีเนะี่ย อาจารย์บอกว่าเขาวางตั้งนานแล้วท่านยังไม่วางเลยแบกมาถึงวัดเน่อาจารย์เลยบอกว่าคนไม่ดีต้องอยู่ต่อไปแต่คนดีแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่วัดที่นี่เขาดีแล้วไงออกไปข้างนอกเถอะอยู่ด้วยกันอะไรกันนักหนานะเราเป็นธรรมทายาทเราเป็นญาติธรรม ญาติที่ทมันยิ่งกว่าญาติพี่น้องคลอดออกมาตามกันมาเลยนะอันนั้นญาติสมมุติบางทีพ่อแม่หาเงินหาเงินก็สอนลูกให้มันเก่งเก่งเก่งบางเอิญเกิดอุบัตเหตุพ่อแม่ยังไ ม, ไ, มไม่สั่งอะไรไว้ก็สอนลูกเก่งมันก็เก่งไงพี่น้องทะเลาะ ก, กันแย่งมรดกกันเห็นไหมฆ่ากันก็ได้นะนั่นญาติพี่น้องกันไง แต่ถ้าเราเป็นธรรมมายาญาติเราเป็นญาติธรรมกันแล้วเนี่ยเราฆ่ากันไม่ลงเราเป็นญาติกันหลายชาติแล้วอันนี้ญาติจริงๆพ่อครูนับญาติทุกคนนะแต่ใครไม่รับญาติกับพ่อครูก็เรื่องของเธอนะพ่อพ่อครูไม่ได้ให้เกียรติทุกคนนะพ่อครูให้ความสําคัญเป็นญาติไง แต่เราไม่เอาความสำคัญนี้ก็เป็นสิทธิของเรานะเห็นไหมนี่ญาติทางธรรมไงถ้าเราไม่สร้างบุญกุศลมาด้วยกันเราจะไม่ได้เจอเราจะจะเจอกันเหรอคดีอื่นเขาเจอไงพ่อแม่เดียวกันไงเขาก็เจอไงอันนั้นเขามาทวงหนี้กันไงอันนี้เรามาส่งเสริมกันไงเพราะเราสร้างบุญบา ร, รมีมาร่วมกันไงเขาเรียกว่าญาติธรรม นะไม่ใช่พูดเพราะว่าให้เกียิให้อะไรเนะีบางทีมือจับกันเซ็กแทนกันให้เกียิกันตามมารยาทนะ่แต่ใจนั้นจ้องที่จะเอาเปรียบกันนะแต่ญาติท่ทําทำอย่างนั้นไม่ได้นะอยู่ที่นี่ถูกก็ช่างผิดก็ช่างถึงเราจะไม่ทันมันเกิดความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ต้องเอาหัวศีกรรม เปลี่ยนกรรมให้กลายเป็นโอโหสิกรรมเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวน่าแบกมันข้ามภพข้ามชาตินะถ้าใครทะเลาะกันมาหาพระครูรู้คำตอบเลยยังไม่เวียงทิ้งอีกยังไม่แห่พยาทานเขาอีกไม่ต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะก็เรามาที่นี่มาฝึกไงฝึกอะไรรู้ไหมทานศีลภาวนาไงวัตถุทานธรรมทานอาพยทา น, าานเป็นสิ่งที่เราต้องทา ศีลเรายังไม่เข้าไปถึงศีลบริสุทธิ์นะศีลคือเราเขายังไปถึงศีลความปกติตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วเรามีอยู่เต็มเปี่ยมทาสานก็มีศีลห้าอยู่แล้วไม่ต้องถือศีลนะทาสานไม่บ้าไปกินเหล้าหรอกไม่สูบบุหรี่ไม่โกหกด้วยเพราะมันพูดภาษาก็ไม่เป็นมันไม่มีความอยากมันจะไปต้องโกหกใครเหรอเห็นไหมมันไม่ผิดศีลเลยมันมีศีลอยู่แล้วเป็นความปกติแต่เราเรียนไปเรียนมาศีลหายหมดเขาต้องบังคับให้ให้ถือศีลห้าไง สินเป็นหายไปไหนล่ะมันถูกกบเกินด้วยความรู้ผิดไงนี่คือความรู้ผิดนี่คือเอาวิชาเห็นไหมพอเรารู้ว่าชนะก็ดีเก่งก็ดีเอาเปรียบเขาได้ก็ดีเราเข้าใจคำว่าดีผิดไงนะขยันเอาเปรียบเขานะเราเข้าใจคำว่าดีผิดไงแล้วไม่ให้มันทุกข์รู้ไป ถึงจะเก่งจนสำเร็จในชีวิตมีเงินเต็มบ้านก็ช่างบางทีคุยกับลูกกับเมียไม่รู้เรื่องเห็นไหมเครียดกันทั้งครอบครัวเนาะเรามาที่นี่นะต้องพักผูแล้วไม่มีเงื่อนไขนะที่นี่มาถึงปุ๊บโอเคเขาก็หาที่พักให้นะมีที่ปฏิบัติมีที่กินนะเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ เพราะคำว่าคนเนี่ยใครใช้วิธีกวาดใบไม้ก็ดีอยู่ระดับต้นนะอันนี้เราทำกับใบไม้มันดา่าเราไม่ได้ไงทำกับคนคนมันดิ้นได้ไงถ้าเราทำกับคนได้นั่นแหละถึงจะยิ่งใหญ่วัตถุทานธรรมทานอภัยทาน ต้องทำกับคนใบไม้เนี่ยวัตถุพวกนี้เนี่ยมันก็ดีส่วนหนึ่งนะมันก็เกิดสำนึกส่วนหนึ่งเราสร้างกุศลโดยเราทำความสะอาดให้คนอื่นเขามาเดินไปล้างห้องน้ำให้คนอื่นเข้าม า, า, า, ม า, มาพ้นทุกเนี่ยพูดถึงห้องน้ำหลายปีก่อนมีคนมาสอบปรมพระครูพ่อครูพ้นทุกหรือ ย, อยังบอกพ้นทุกทุกวันปวดท้องเข้าห้องนา้าก็พ้นแล้ว พยายามจะต้อมต้องให้พระครูพูดสิ่งนั้นนะจะได้บอกว่าพระครูอวดอุตตริมนุษยธรรมพระครูพน้นทุกวันทุกเวลาเข้าใจไหมปวดท้องก็บอกถ่ายทุกเห็นไหมไปปวดทุกใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยโรงเรียนด่านเม่นเรา อยู่ใกล้ๆช่องเมฆช่องเมกตัว น, นี้คนมาเที่ยวเยอะๆเลยแต่เข้าห้องน้ําก็ต้องมีเรียงแถวเสียห้าบาทบางทีทนไม่ไหวนะมันออกมาก่อนโรงเรียนด่านเม่นเราจะสร้างห้องน้ําสะอาดๆเลยให้เขาปวดทุกไงแล้วก็หาคนวาเลนเทียไปไปล้างห้องน้ํานะได้บุญเยอะนะเราไปทำอะไรที่คนบอกต่ําที่สุดเนี่ยเราทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้คนอื่นไม่ดู้ช่างเขาแต่จิตเรารู้แล้วเป็นการทําลายอัตราตัวตน นะยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้การฝึกจิตเหมือนกันอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกนี่แล้วจะไปนิพพานด้วยความอยากไม่ได้นะบางคนตั้งใจมากเลยพวกครูบอกอย่าตั้งใจแค่ตั้งมัน่นเฉยๆทาเหมือนเด็กๆสนุกสนานพอตั้งใจพวกมันจะดึงไว้เหมือนมันหมุนระดับหนึ่งแหละ มันก็หมุนอยู่ตอนนั้นแหละมันถูกไอตัวตั้งใจดึงไว้เราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้ทำแค่พอดีมันทำายมากเกินไปไงเพราะมันอยากไงมันไม่ใช่ความเพียรชอบความเพียรชอบต้องพอดีนะทุกอย่างต้องพอดีแล้วใครรู้เร ว, ว่าต้องพอดีแค่ไหนตัวเองต้องใช้สติปัญญาดูว่าพอดีแค่ไหนกับเรา ไอเด็กคนนี้มันกินชามหนึ่งอิ่มพอดีคนนี้สองชามอิ่มพอดีคนนี้สามชามอิ่มพอดีเพราะมันตัวใหญ่บังเอิญเรามีข้าวหกชามทุกวันนี้อย่างคนเมื่อกี้ที่ต่อว่าพ่อครูนี่ไม่เป็นธรรมนะมันต้องหารสามสิเอาหารสามได้คนละสองใช่ไหมไอคนแรกมันกินไม่หมดอ่ะไม่ได้นะลูก ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่า ก, กินทึ้งคว้างเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลำบากนักหนาสงสารชาวนาต้องกินให้มหมดหมดมันก็อัดเข้าไปทุกมากเดี๋ยวท้องอืดไงมีคนที่สองนี่พอดีคนเดียวไอคนที่สารไม่ให้มันสองชามมันก็หิวมันก็ทุกมากอีกเอาอย่างนี้ไหมเท่าเทียมกันอย่างนี้ไหมไอทฤษฎีเท่าเทียมกันนั่นมันไร้สาระ มันไม่เข้าใจความจริงตามธรรมชาติเกิดมาพ่อมีพันล้านเกิดมาพ่อเป็นหนี้สินเหมือนเราแข่งร้อยเม็ดแข่งกันเนี่ยคนหนึ่งสตาร์จากจุด m, นหนึ่งเม็รคนนึงสตาร์จากจุดห้าิเมตดมันจะแข่งกันได้หรือเปล่าไอ้แข่งขันสายเสรีบา้บาๆบอๆเนี่ยมันจึงทุกทั้งบ้านทั้งเมืองไงเด็กสองคนเรียนห้องเดียวกันไอ้คนเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่หนึ่งทุกปีอีกคนนึงบวยๆตกบ้างไม่ตกบ้างอาศัยพ่อมีเงินเนี่ยไปยัดมันก็ขึ้น ไอ้คนที่หนึ่งสอบได้ผ่านปุ๊บจบปุ๊บเดินหางานทําไอ้ตกแหนไอ้ไอ้ตกแหลไม่ตกแหล่าเนี่ยเป็นนั่งเป็นแป้นเป็นผู้บริหารบริหารประธานบริษัทแข่งกันได้ไหมแข่งสี่ทาไมไม่เท่าเทียมกันละ่ะเรียนด้วยกันแล้วฉันเก่งกว่าเธอด้วยทําไมถึงเป็นแบบนี้อ้าก็คุณสร้างกรรมมาสร้างบุญมาไม่เท่ากัน ไ, ไอท้ทฤษฎีแข่งขันเสรีแล้วก็ทุกคนเท่าเทียมกันน่ะมันไร้สาระ โลกทั้งโลกทั้งวุ่นวายไปหมดไงอินเดียเขายังรักษานี่ไงชั้นวันน้นะพวกครูเคยไปหลายปีก่อนมีภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยมันมีน้ำพุร้อนขึ้นมาแล้วก็ไหลเป็นน้ำตกลงมาเนี่ยนะเป็นชั้นๆเลยนะชั้นจันทานเนี่ยอาบอยู่ข้างล่างเขายินดีอาบน้ำที่คนอื่นเหลือไ เมื่อเขาพอใจอย่างนั้นเขาก็ไม่ทุกข์ไงเขายอมรับในความเป็นเขาแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรียกร้องสิทธิจนขนาดว่ามาเรียกร้องอยู่ในศูนย์พลานคอยศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่มีใครมีสิทธิ์พรากครูก็ไม่มีสิทธิแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นของโลกของจักรวาลเป็นของสรรพสิ่งไม่ใช่ของใครทั้งนั้นอันนี้มนุษย์ขีูุ้นี้ประเทศชันประเทศเธอ นี่ฉนวนฉันนี่ฉนวนเธอฉันจะเจาะน้ามันขึ้นมาขายวันหนึ่งกี่ล้านาเลก็ได้มันก็ถล่มไงเราคิดตัวโลกมนุษย์โลกนี้ไม่ใช่ของมนุษย์โลกนี้ของสรรพสิ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก่อนที่เราจะตัดต้นไม้้วยทำทำลายสิ่งแวดล้ อ, อมเราต้องตระหนักมันไม่ใช่ของเราตอนนี้มนุษย์ซึ่งอวดเก่งเรียนรู้เยอะๆสร้างเทคโนโลยีเก่งๆ มาทำลายสิ่งแปดลรอมแล้วบอกว่าฉันเก่ง ก, ก็เก่งเก่งจริงๆเมื่อเก่งแล้วสร้างกำหนักก็ต้องรอรับกรรมพาะครูหนีมันมานะพวกครูก็เคยอวดเก่งไปสี่สิบปีพอวันระเบิดตุ้มเราเลือกเก่งละเราถอยจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกยี่ปีพวกครูบอกนะพวกครูด่าคนไม่เป็นถ้าคนไหนพวกครูใช้เป่งเสียงดังๆหน่อยเนี่ยนะ ต้องตระหนักนะครูบาอาจารย์เตือนต้องดีใจนะท่านให้เกียรติเราท่านทำไมต้องเสียพลังกับเราอันนี้เราไม่ฟังเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเน่ะเราจะปลดปล่อยปลดตัวเองไม่ได้เรายึดอัตตาเราอยู่ตรงนั้นแหละเปิดจิตหน่อยไหนๆก็ทิ้งความสะดวกสบายทางโลกแล้วก็มาทางนี้แล้วเนี่ย ตั้งมั่นไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องไปเครียดนะอย่าไปขยันแบบโง่ๆไม่สำเร็จความเพียรต้องชอบเห็นไหมความเพียรชอบคือพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีนะผู้เจ้าก็ทรงตัดแล้วไงวันที่พระ อ, องค์จะตัดสร้นั่นพระ อ, องค์ฟังพินนะเขามีเล่นดนตรีในน้าผ่านมาเนี่ยพระองค์กาลัง ดำเนินจะมักคจิตอยู่โอ้เสียงพินมันหย่อนยานเกินไปก็ไม่พอมันตึงเกินไปก็ไม่ดีนี่แหละคือทางสายกลางเกิดขึ้นทำอะไรแค่พอดีที่นี้พอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันช้างขี่อย่าไปขี่ตามช้างเห็นไหมอย่างนาณาจิตตังสองชั่วโมงตอนบ่ายสองชั่วโมงไม่ใช่เราต้องทำเต็มสองชั่วโมงนะ ถ้าใครทำได้อนนโมทนาสาธุถ้าใครทำไม่ได้เหนื่อยก็พักไม่ใช่พักแล้วถูกปรับนะที่นี่ไม่มีนะแต่ทำแค่พอดีพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามีมุ่งมานะบางคืนเราไม่รู้หรอกเฮ้ยมันเหนื่อยแล้วบางทีกิเลสมันหลอกนะมันไม่ได้เหนื่อยจริงหรอกกิเลสมันบอกหยุดเถอะเราต้องลองก่อนอย่าไปเชื่อมัน ทำไปทำมาเดี๋ยวกมันไกล ต, ตัวตัวเหนื่อยหายไปไหนเห็นไหมมันหลอกเราทีลราช่วงนะเพียงแต่ว่าเราต้องมีสติรู้ว่าเราทำได้แค่ไหนเห็นไมไม่ต้องเหมือนกันนะที่นี่ไม่ต้องเหมือนกันแล้วจะไปแอบดูเขาท่าเต้นเขานะเห็นไหมไปเรียนแบบเขาไม่ได้นะมันคนละอย่างสูตรไขสูตรมันใช่ไหมล่ะ แล้ว ไ, ไปเรียนมาเราชอบก๊ปี้ไงชอบทางลัดไปเงี่ยหูฟังไอ้ทำไมเขาเห็นหน่นเห็นนี่ทำไมฉันไม่เห็นมาถามพ่อูทําไมหนูไม่เห็นอะไรเลยอยากหาเรื่องอย่ามีเรื่องเหรอเห็นแล้วฉันต้องเสียเวลาเวี่ยงทิ้งอีกไงมันสนุกนักเหรอเห็นไหมเพราะเราอยากไงอยากก็ปี้เขาเห็นว่าฉันทำไมฉันไม่เห็นเห็นไหมนี่แหละคือเรากลัวแพ้เขาเรากลัวสู้เขาไม่ได้เรากลัวว่าเออ เราจะไม่ก้าวหน้าจะก้าวไปไหนเหรอขยกมือถามพระ ก, กูจะก้าวไปไหนอยากไปไหนขยอยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นพระคูจะพาไปแต่ไม่ให้กลับมานะพระคูพาไปได้จริงๆนะอยากลองอยากลองไปไม่ไปแล้วไม่ต้องกลับมาอยู่บนสวรรค์เลยเหรอไหมจะไปนระกพระคูก็พาไปได้นะเห็นไหม แต่ไปแล้วอยู่ที่นั่นเลยนะนี่มีแต่ความอยากไงที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็ไอ้ตัวอยากนั่นแหละสวรรค์นรกเราไปมาหลายรอบไปนะอย่าแก้งลืมนะวันนั้นใครลาพวกคูพวกคูอย่าเพิ่งกลับอยู่ให้มันมีเรื่องก่อนเขาก็มองหนะ้าเอ้หนูทำอะไรผิดเหรอถามว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราไม่เคยเจอ ใครตอบได้มีเรื่องไหนบ้างที่เราไม่เคยเจอวันนั้นที่มีเด็กจะมาจากปากใต้นะคุณพ่อคุณแม่แม่ชีเมก็นั่งคุยกับรครู ด, ด้วยคุณพ่อแม่ชีเมย์บอกว่าเรายังไม่เจอความตายเพราะชาตินี้ยังไม่ตายไหมเด็กคนนั้นว่านี้ผ่านเป็นสิ่งเดียวที่ยังไม่เคยเจออยู่ให้มันมีเรื่องก่อน มีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เคยเจอเห็นไหมทุกๆเรื่องเราเจอมาหมดแล้วเราเป็นเทวดาหลายรอบแล้วตกนรกหลายรอบแล้วเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวไม่รู้กี่รอบแล้วเห็นไหมมีเรื่องเดียวที่เราไม่เคยเจอและมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะไม่ได้อยู่ไกลตัวด้วยนะมันอยู่ข้างในตัวเรียบร้อยแล้วทุกคนมีพุทธจิตอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะเดินเข้าไปหา ทุกคนสัมผัสได้นะธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมมีหลายคนมาปฏิบัติแล้วไม่อยากกับภาวนาบวชชีโดยทางบ้านไม่ค่อยเห็นด้วยนะพอทางบ้านจะมาเยี่ยมบ้างนี่เกิดความกังวลเกิบความกลัวมากแต่หลังจากเขามาแล้วเนี่ยอารมณ์มันตาลปัดธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรม เราต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้ไปสิ่งที่ไหนไม่ได้ไปทำความชั่วลายที่ไหนเรากำลังเจริญลอยตามพระพุทธเจ้าเห็นไหมเราไม่ได้ท่องจำเลยนะท่องจำคําสอนพระองค์รู้หมดเลยจนจบด็อกเตอร์ยังคุยกันไม่รู้เรื่องยังทุกข์อยู่เรากำลังปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่คือคําสอนพระพุทธเจ้าจริงๆอันนี้ไปท่องจาแค่คาพูดของพระองค์ แต่ไม่เคยทำตามพระองค์เลยถ้าเรามั่นใจว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ควรทำเราจะไปกลัวอะไรไม่ต้องกลัวเห็นไหมบางคนถูกต่อว่านะมาอยู่กับพ่ะครูเนี่ยสิ้นคิดไม่รับผิดชอบครอบครัวเป็นคนไม่ดีพอญาติพี่น้องเขาตายมาที่นี่พรอครูถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไรพุทธสิ กาบหาาไหว้พุทธเจ้าไม้กาบคุณกาบไหว้ใครรู้ไหมถ้าคุณว่าการที่วางตรงนั้นลหละมาเดินทางตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณกำลังกาบคนที่ไม่ดีที่สุดในจักรวาลนี่ไม่ได้ทิ้งครอบครัวอย่างเดียวนะทิ้งแผ่นดินเลยถ้าพระ อ, องค์ไม่ทำอย่างนั้นวันนี้เราได้เจอคำสอนดีๆไหมพระ อ, องค์ไม่ได้ทิ้งครอบครัวมีด็อกเตอร์คนหนึ่งพูดแรงมาก ผู้เจ้าก็มีกิเลสนะมีกิเลสอะไรเลยอยากไปนิพพานก็ทิ้งครอบครัวพระองค์ไม่ได้ทิ้งสักหน่อยหนึ่งพระองค์วางครอบครัวชั่วคราวแล้วก็พระองค์ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะไม่ได้ไปเสพสุขนะไปสะแสวงหาโมฆะธรรมเมื่อทรงตัดสู้ทำเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โปลดครอบครัวนี่บรรลุธรรมทั้งหมดเลยเห็นไหมพระองค์ไม่ได้ทิ้งเห็นไหมไพระองค์รู้ว่าขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปพระองค์ก็ไม่พ้นทุกข์เสียเวลามาหลายชาติครอบครัวที่พระองค์ก็ ก็ที่พระ อ, องค์รักก็ไม่พลนทุกไงนี่คนรักกันจริงๆไม่ใช่รักว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานแต่ชอบกินของหวานมากมากนะพอซื้อของหวานให้คุณแม่กินเนี่ยนะคุณแม่ดีใจกอดเราเห็นไหมนี่คือกตัญญูแบบสนองตันหาไงอย่างนี้ผลคื อ, อยังไงก็ท่านรักเราเรารักท่าน ก็กอดคอกันข้ามพบข้ามชาติไงชาตินี้ฉันเลี้ยงเธอชาติหน้าเธอเลี้ยงฉันสนุกดีเนาะสนดวกดีนะ<ม>เกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องเลยก็อยากเกิดก็ดีใจสิหัวเลาะสิร้องไห้ทำไมอยู่ในท้องคุณแม่อึดอัดนะไม่อิสระเลยเกิดมาก็หัวเลาะสิ ร้องไหายทำไมเห็นไมสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไร ท, ทุกทุกทีมันร้องไหายเลยพอแก่มาลุกก็โอยนั่งก็โอยก็ทุกข์อีกพอเจ็บมาลองถามคุณหมอเอสตีหลังจากเป็นหมอมารักษาคนไข้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พัน มีคนไข้ที่เ็าปวดท้องวิ่งมาหาคุณหมอฟ้อนหลังเข้ามาดีใจจังเลยฉันปวดท้องมีไหมมีแต่ร้องโอยๆเข้ามาน่ะทุกพรเจ็บอีกแล้วเห็นไ้ยแล้วถ้าเราไม่ฝึกจิตนะวันที่จะขาดใจตายเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหมห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินจะลินทานโอ๊ยกูยังดืมบอกลูกว้ฝังทองคำอยู่ในนั้นกระสอบหนึ่งฝังเงินอยู่ในกระสอบหนึ่งเนี่ยตายไม่ลง สมัยพุทธกาลเขามีคำเล่าลือนะเศรษฐีคนนั้นนะตายแล้วเกิดมาเป็นขอทานไงเห็นไม้มไม่ยังตามมานะเพราะปฏิบัติธรรมบรรลุชาได้ว่าฝังอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคือคือมันวางไม่ลงวันที่จะตายก็ทุกพิสูจน์ยังไงว่าทุกไม่ทุกไม่กี่วันก็เน่าเหม็นตัวแข็งหมด เพราะวินาทีนั้นมันหลังสารจะเด่นหนึ่งออกมาเพราะทุกอย่างมันต้องรีไซเคิลแต่ทําไมคนฝึกจิตตายแล้วไม่เน่าเหม็นไว้กี่ปีก็ไม่เน่าเหม็นเลยอะไรที่ตายต้องรีไซเคิลต้องเน่าเหม็นไอ้ที่ยังไม่เน่าเหม็นคือยังไม่ตายความมีชีวิตแบบมนุษย์หัวใจมันเลิกเต้นแล้ว แต่เซลล์นั้นยังไม่ตายเพราะกายวิญญาณอยู่ในเซลลนั้นอยู่ถ้าถึงขั้นสุดท้ายแม้กระทั่งกระดูกนั้นเซลล์ในกระดูกนั้นยังไม่ตายเรียกว่าพระธาตุถ้าพระธาตุของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระร่มสาลีทิทศธาตุยังขยายไปทั่วโลกตอนนี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะ เหมือนสัตว์เซลล์เดียวนั่นแหละต้องมีกายวิญญาณอยู่นักวิยาสตร์ญี่ปุ่นก็มากว้านหาพวกนี้แล้วก็ไปวิจัยแต่ไม่มีคำตอบเห็นหเรากล่าวไหวพระบรมสารีกธาตเรามีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์พระบรมสารีกธาตเป็นสิ่งเดียวที่ พ, พระพุทธเจ้าเหลือไว้ให้เราในแง่เรื่อง เรื่องสลริละร่างกายมันก็ขยายแต่เราไม่ได้กราบไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดบานไม่ใช่กราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะเราไปขอขอขอข อ, ขอให้พระ อ, องค์ช่วยเราพระ อ, องค์ไม่เคยบอกนะให้ทาอย่างนั้นพระ อ, องค์บอกอัตหีอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน แต่นี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่เรากล่าวไหว้เพื่อไปเตือนสติเราและลึกถึงครูบาอาจารย์ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาระนะแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นไปพึ่งให้พระองค์มาคุ้มครองเราบ้างอะไรบ้างนี่นะพระองค์ฝืนกฎแห่ง ก, ร ร, กรรมก็ไม่ได้แต่เรากล่าบไหว้ในฐานะเป็นสั ญ, ญลักษณ์เพื่อระ ล, ลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อสร้างศรัทธาให้เราเชื่อมั่นว่า บุคคลนี้ผ่านเส้นทางนี้มาแล้วแล้วก็พ้นทุกได้จริงจนพิสูจน์แล้วว่าอัติของพระองค์เนี่ยกลายเป็นพ ร, รมสาลีกระธาตุซึ่งปุตุชนพวยเผาถ้าเผาไม่หยุดนะกลายเป็นเท่าหมดนอกจากเอาน้ำไปดับมันก่อนถึงจะเหลือเป็นก้อนแต่ถ้าจิตถึงเข้าถึงแล้วเผาจนฟืนไฟหมดเลยก็ช่างเนะ่ยสิ่งที่เหลือเป็น พระธาตุเรากล่วกาวไหวพุทธรูปกล่าวไหว้พระอุ ษ, ษาลีกรธาตุหรือพระธาตุทั้งหลายของพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยในฐานะที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์เพื่อระลึกถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เพื่อเตือนสติเราให้มุ่งมั่นเดินทางนี้ต่อไปเรากล่วกาวไหว้พระธาตุเพื่อเตือนสติเราว่าเรามีหน้าที่หลักคือทําให้กระดูกเรากลายเป็นพระธาตุ เป็นทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่กราบไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอนอนขอนี่ถ้าใครกราบอย่างนั้นพว ก, กูถือว่าเราไม่เข้าใจพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพอ ก, กูจึงเลิกนับถือพระเจ้ายันไงพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ แต่คำสวนพระองค์ทํเราพกครูผลทุกได้พกครูถวายชีวิตคําว่านับถือมันยากไปพอไม่เชื่อก็เลิกนับถือบูชาวถวายชีวิตเพราะพระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทุกวันนี้เป็นยุคที่เรามีฤทธิ์นะเราห่อเหินเดินอากาศได้จากกรุงเทพบินมา อ, อุบลชั่วโมงหนึ่งเราหูทิพนะเพราะหลังเศสโทรศัพท์คุยกันรู้เรื่องเห็นไหมเราตาทิพนะ อยู่ที่โตเกียวเขาถ่ายทำละครเนี่ยเรามองเห็นมันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์แถมเพิ่มทุกข์ให้เราด้วยต้องหาสตังค์ไปซื้อมันมาดูเราไม่ค่อยเชื่อพุทธเจ้าเราแค่กราบไหว้าตามประเพณีวัฒนธรรมเฉยๆแต่เราเชื่อทุนนิยมแล้วคุ ณ, คณพ่อคุณแม่เนี่ยรักลูกมาก รักลูกอย่างบริสุทธิ์บางทีต้องโกหกเพื่อรักษาลูกก็มียอมเสี่ยงต่อการผิดศีลตกนรกก็ยอมนี่คือความรักที่บริสุทธิ์ที่พ่อแม่มีต่อลูกไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเป็นสัญชาตญาณอย่างสุนัขมันคลอดลูกมาใหม่ๆเนี่ยไข่ไก่มันไม่ได้นะเห็นไหมมันหวงมากเลยใครสอนมันอย่างนั้นไม่มันไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยมันไม่ได้หาคุณหมอด้วยนะแต่พอมันเลี้ยงโตปุ๊บ มันวางลูกมันเลยเก้าไก่แม่มันจะกัดเลยบอกมึงไปหากินเองเห็นไหมมันวางลูกมันได้แต่พ่อแม่ทุกวันนี้ไม่ได้เพราะเป็นห่วงลูกไงไม่ใช่ห่วงลูกนะตอนวันนั้นมีงานศพนะป้าหนึ่งเนี่ยเป็นญาติเขามาเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงหลานนะกําลังเลี้ยงเหรนอยู่วางไม่ลงอันนี้ต้องไปเรียนรูกก้กับกระต่ายกับไก่กับสุนัขตัว น, นั้นหน่อยนะมันทํำยังไงนะตอนนี้ห่วงลูกมาก หัวงอนาคตลูกกลัวลูกจะสู้เขาไม่ได้กลัวมันจะลำบากแต่ลืมห่วงชีวิตลูกลูกต้องสู้ตายเดินเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่ อ, อรวยแล้วจะมีความสุขเพราะครูนี่แหละคนหนึ่งถูกแม่ห่วงเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เงินเต็มบ้านเลยแต่มันไม่สุขไงนะได้รางวัลชีวิตนะตอนอยู่อเมริกาคือเป็นไมเกรนแนะลกก้วโรคความเครียดลงกระเพาะไง เราเอาอนาคตเราจะไม่เอาชีวิตเราทำงานอาชีพใดก็ช่างเพื่อชีวิตแต่ตอนนี้เราทำงานเพื่อสร้างอนาคตวันนั้นบอกญาติธรรมมาทุกคนเนี่ยเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ไปดูเผาศพแบบสดๆจำภาพนั้นไว้วันไหนชีวิตเราเกิดวิกฤต ทุกข์มากคิดไม่ออกแม้กระทั่งฆ่ากูตัวตายให้คิดถึงภาพนั้นสุดท้ายก็จบอยู่แค่นั้นไม่ต้องอยากฆ่าตัวตายมันก็ตายนั่นแหละทะเลาะกันไม่ทำไมของนอกกายทั้งนั้นจบอยู่แค่นั้นอาจารย์อ้อยตอนเช้าไปเก็บอัฐิด้วยกันแกก็เป็่งออกมาสี่สิบเก้ากิโล เหลือไม่ถึงกิโลหนึ่งอีกสี่สิบแปดกิโลมันหายไปไหนมันไม่ใช่เราสักหน่อยหนึ่งแต่เราอยู่กับร่างนี้มันนานเราบอกว่าเราก็หลงว่าตัวกูของกูแล้วเพราะของกูถูกเขาแย่งไปกูก็เลยทุกข์ไงถ้าตัวเราจริงๆใช่ไหมเราสั่งมันได้ไหมว่าไอ้ตัวฉันเธอห้ามแกนะ ฉันไม่ชอบเลยคนแก่เดินลุกก็โอยนั่งก็โอยเธอห้ามเจ็บด้วยนะฉันไม่ชอบแล้วเธอห้ามตายด้วยนะมันเชื่อเราไหมมันไม่เชื่อเรามันไม่ใช่ของเราสักหน่อยหนึ่งเราขี้ตู่พอเราอยู่กับมันนานๆเนี่ยเราก็หลงว่าเป็นตัวเราเห็นไหมนี่คือตัวหลงแบบเนียนมากนะ มันก็คือเราเราก็คือมันเขาแสดงธรรมนะแมวมันกําลังเล่นกับหนูอยู่อย่างแมวมันกําลังกินหนูเนี่ยถ้าเราสงสารหนูเราไปตีแมวแมวมันชอบไหมเห็น ไ, ไหมมันก็บันทึกสัญญาว่ามันเกลียดเรา ว่าบางครั้งอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวว่าเราฝืนกฎแห่งกรรมใครเขาไม่ได้เราเป็นมดมอดตัวนิดหนึ่งผู้วิเจ้ายังไม่กล้าฝืนผู้วิเจ้าบอกดอกบวัวสีเหลาพราะองค์ชี้ทางให้เฉพาะคนที่ดอกบวัวพื้นพ้นน้ําเท่านั้นอย่าบังอาจอย่าไปแย่งงานโยมพบาลธรรมนะโยมพบาลโกรธมาก ถ้าเผลอตกนรกลงไปเนี่ยเพิ่มโทษในฐานะแย่งงานยมบาลทมไม่ใช่หน้าที่เราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินไม่พิจารณาไม่ตัดสินจงเตือนตัวเองอย่าบาังอาจไปตัดสินถูกผิดดีชั่วคนอื่นมันเป็นกรรมมันเป็นหน้าที่ยมบาลไม่ใช่หน้าที่เรานั่นแหละคือเราติดดีแล้วว่าคนอื่นไม่ดีคนที่ว่าเขาไม่ดีเป็นความชั่ว้ายอย่างยิ่ง คุณสร้างวัชีกรรมแล้วใช่ไไมไ้มคนที่อยู่ศูนย์ยิ่งอยู่ประจำนะต้องตระหนักนะไม่ใช่ตาพูดตามนิสัยขอให้ได้พูดบ่นไปบ่นไปจริงบ้างไม่จริงบ้างนะญาติธรรมที่มาที่นี่อยู่ไม่กี่วันเขาก็บอกเออศูนย์เป็นอย่างนี้เลยพวกว่าใช่คุณเข้าถึงศูนย์แล้ว <laughs> ไม่ใช่ศูนย์ภาพับไว้นะ มันก็เป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมแมวมันก็เล่นกับหนูพ่อครูพูดมันก็ไม่ได้สนใจไงเด็กมันก็เล่นกับมันเราเราปฏิบัติธรรมเด็กมันก็วิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมไอคนมันชอบพูดก็ะพุ้นางนั้นแ่ะแอบก็เหมือนนี่คือนี่คือธรรมะไงไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์นะพอไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนะปิดวาจาสิบวันรู้สึกสบายสบายไม่ต้องพูดไม่ต้องได้ยินเสียงใครเลยพอกลับบ้านต้องพูดแก้แค้นเพราะมันไม่ได้พูดมาสิบวันนะ ที่นี่ไม่ใช่คุณปล่อยออกมาหมดเลยมีอไไ่ออกมาหมดเลยเอาตัวเบาๆกลับบ้านมนถึงไม่มีพลังไปบ่นกับลูกหลานไงต้องสู้ความจริงไปกดมันไว้ทำไมไปกดทรงเขากดทรงที่นี่เนี่ยทำลายทรงทำลายท่ากิ่งเขารอเอจนหมดท่าเลยนั่นแหละมันอิสระไงอันนี้เฮ้ยไม่ได้อายเขา อนะ่เสียมารยาทเนี่ยพระครูเคยสอบถูกสอบมาหลายปีเลยนะนะพ่อครูพ่อคุณเจ้าพระผู้ใหญ่มาที่นี่มาคุยกับพระครูเยอะท่านบอกเต้นแล้งเต้นกาแค่สํารวมนี่ก็สอบตกแล้วพระครูนิมนต์ท่านให้ช่วยท่านชี้แนะ่ท่านบอกแค่สํารวมก็สอบตกแล้วถ้าเอาทางพุทธศาสนาพระครูผ้าจาย์เขาไม่สํารวมอะไรเลย นี่เหรอสำรวมนะแหกปากล้ออย่างนี้เต้นเหมือนลิงเลยฮโอ้เขาสำรวมมากเลยพระอาจารย์ไม่เห็นแล้วเขากําลังสำรวมสำรอกกรรมเขานั่นเขาตีหัวใครไหมสำรวมไปว่าระวังไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นไม่ได้ไปว่าเรียบร้อยสันหน่อยนึงพภาษาลีบุตรนี่ไม่สำรวมเลยเหมือนลิงเลยนะนะท่านทรงปัญญามากเห็นไหมพระโมคคานาเนี่ยเหาะได้นะนะ เหาถึงปลายไม้ด้วยเล่นริดได้เนี่ยระบอกไม่สมรวมนะสมรวมไม่ได้ไปเรียบร้อยหรืเมียนระยะทำตัวเองเป็นหุ่นยนต์อันนั้นโกหกกันอันนั้นหลอกลวงอันนั้นบูสานะมันไม่ใช่ของเราจริงๆซะหน่อยหนึ่งเรากดทรงเราวางท่าเราหล อ, อกกันเหมือนทุกวันนี้เนี่ยทั้งบุรุษทั้งสตีนะตอนรุ่นพระครูนี่มีเฉพาะสตรี นะชอบสวยๆงามๆตอนนี้บุรุษก็เอาด้วยไปตกแต่งไปผ่าตัดเห็น ไ, ไหมเพื่อจะใส่หน้ากากมาหลอกกันวันนั้นจิตพวกคูเปกออกมามันก็แค่เครื่องทําเซ็กซ์เพิ่มมูลค่าเพิ่มเท่านั้นเองเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่เราเป็นแค่เครื่องทําเซ็กซ์เป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าเพิ่มหลอกกันผิดศีล น, นะ สมัยก่อนคนโบราณเราต้องฟังด้วยนะเพราะเราก็ทำเหมือนเขาเขาบอกว่าเต้นกินลำกินเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตเหมือนเราหลอกเขาเล่นละครไงเหมือนดีนะเหมือนเหมือนเหมือนเขามีมความสุขงเขาดูแล้วก็มีความสุขนะแต่เป็นความสุขจอมปลอมคือเราเลี้ยงกิเลสเขาแล้วเราเต้นทำไมเราไม่ได้เต้นกินไม่ได้เต้นหาเงินนะ เราเต้นเอากิเลศออกนะเราลำเอากิเลดออกถ้าไม่ลำเอากิเลดออกถามว่ากิเลดมันชอบลำไหมมันอายไงไอตัวาอนั่นแหละกิเลศไงเห็นไหมเราฝืนกิเลศเราไงแล้วต่อไปกิเลดมันก็หลอกเราไม่ได้แล้วก็อิสระไงเราไม่ใช่เต้นกินลำกินนะเราไม่ได้เต้นเพื่อไปหาเงินนะ <were. S 1> ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานนะบางคนถามพระครูว่าเอ๊ะมันต่างอะไรกับดิสโก้เทค เด็กเยาวชนเขาไปดิสโก้เถอก็เสียงดังๆก็เต้นแบบนี้ไงมันคล้ายๆเหมือนกันถ้าถ่ายวิดีโอนะมาฉายเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะแต่ต่างกันแตกต่างกันฟ้ากับดินเลยเยาวชนนั้นเขาใช้อารมณ์เต้นเขาสร้างอารมณ์สนุกสนานเพื่อกบเกินเขาสร้างอุปทานใหม่ความสนุสนานเนี่ยกบเกินความเบื่อของเขาเขาเพิ่มกิเลสแต่ที่เราเต้นเราใช้สติ สมาธิเราเต้นเพื่อขายอารมณ์ออกเอากิเลสออกเพราะกิเลสมันมันอายมันไม่อยากเต้นแล้วฝืนกิเลสนี่คือปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำทวนกระแสะกิเลสแล้วทำไมต้องเสียงดังมันไม่สงบเลยเห็นไหมแล้วแปลสงบผิดีกแล้วแล้วเาเราเข้าใจว่าสงบคือเงียบ สงบเนี่ยเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตจิตต้องสงบนิ่งเอานิ่งอะไรเต้นแปงเต้นไปเ ต, ต้นมาไม่เคยนิ่งนิ่งไม่ได้อยู่เฉยเฉยเหมือนตอไม้นิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกๆอริยบทชีวิตเรานิ่งอยู่เฉยเฉยได้ไหมทํางานได้ไหมกินข้าวได้ไหมขับรถได้ไหมไม่ใช่ไปฝึกแบบนึงนั่งเฉยเฉยเหมือนตอไม้แต่ออกมาชีวิตเรามันเคลื่อนไหว เหมือนเราไปยิงเป้านิ่งอู้ยิงแม่นมากพอไปเจอเป้าปินยิงไม่ถูกไงรูปน้ำเกิดดับมันเร็วมากเราต้องสู้ความจริงเราต้องนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกๆเคลื่อนไหวเราสงบนิ่งอยู่กับมันอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันมันนี่เราเราหลงหลงติดบ่วงภาษาไงความเงียบเนี่ยสงบเงียบเป็นสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่เกี่ยวกับจิตจิตต้องสงบนิ่ง เสียงดังก็สงบอยู่เฉยๆก็สงบเคลื่อนไหวก็สงบทุกๆอริยบททุกๆสิ่งแวดล้อมเราต้องสงบนั่นลหละใครๆหรือสิ่งแวดล้อมใดก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ต่อไปฟ้าผ่าลงมาตกจิตไม่ตกใจตกจิตไม่ตกใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจ หัวใจไม่กระทบเลยเวทนาก็ไม่เกิดรูปเกิดแล้วเสียงฟ้าผ่านนั้นคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงต่อไม่ได้ปฏิสมุทบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัตตสงสารหยุดทุกคนทำได้ตำรวจไม่จับไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องเข้าห้องแลบไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งนั้นมีอะไรที่มันง่ายขนาดนี้ เป็นาศาสตร์เดียวในโลกง่ายที่สุดไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องมีการกระทาใดๆทั้งนั้นเอา้าไม่กระทำเต้นยังไงเต้นเพราะเต้นไม่มีเจตนาในดๆทั้งนั้นเป็นกิริยาไม่ใช่กรรมกรรมชี้เจตนามีอะไรง่ายขนาดนี้สมมติว่าใครอายุแปดสิบใช่ไหม มาเต้นเอาหัวขนแปดสิบให้มันเหลืออยู่ห้าสิบให้มันเหลืออยู่เจ็ดขวบเหมือนเด็กเจ็ดขวดละ่ะจะเต้นจะรำอะไรอะไรไม่มีหัวโขนไม่มีมารยาทไม่มีวัฒนธรรมปลดหัวโขนออกแล้วก็เต้นจากเจ็ดขวดไปถึงวันที่แรกมันเกิดแล้วก็ทะลุ ป, ป้องนั้นเลยไปหาที่มาของมันไปเคลียร์สาสารที่มาของเรา นั่นคือบทเพนิวาสานุสติยานยานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติเป็นวิชาแรกที่ผู้เจ้าตรัสรู้บางคนบอกว่าเอ๊ะฉันทำไมไปนู้นไม่ได้เออฉันยังเข้าจิตไม่ได้บางคนยังเข้าจิตไปแล้วนะที่เราเต้นเต้นจิตมันทำงานแล้วแต่มันยังไปยังไม่ได้เข้าไปจิตใต้สานึกนะเพราะบางทีเวลายังไม่ถึงหรือ ว, ว่าบางทีเราไปควบคุมมันโดยเราไม่รู้ตัว อะไรคือควบคุมอะไรคือไม่ควบคุมแล้วต้องสังเกตว่าตัวเองเอสเต้นเมื่อไหร่ก็ท่าเดียวกันนะก็ท่าเดียวเก่าๆ เ, เนี่ยนันเป็นสัญชาตญาณเราทําอะไรควบคุมหมดจิตมันไม่ยังไม่อิสระจริงๆนะเราต้องข้ามพ้นตรงนั้นอ่ะนะข้ามพ้นความเคยชินเรากิเลสคือความเคยชินสัญชาตญาณเราเนี่ปกติเราควบคุมตลอด เราใช้สติข้างนอกตลอดไอ้สติข้างนอกนี่เป็นเรียกว่าโลกียะสติมันเป็นสติซึ่งไม่อิสระอยู่ภายใต้สมบุญบัญญัติประเพณีวัฒนธรรมเราต้องวางสติตรงนี้อรหันต์จี้กวงนี่ยท่านใช้เทคนิคคือมอมสมองซีกทรายไม่ให้มันคิดไม่ให้สติข้างนอกมันดึงเราไว้แล้วก็เข้าไปในสติสมโพชงของจิต ตัวเมาแต่จิตไม่เมาแต่ไม่ใช่ทุกคนทำได้ไม่ต้องเรียนแบบพระเจ้าบอกละเว้นการดื่มเครื่องดองของเมาไม่ได้ห้ามนะละเว้นเพราะหลายคนเนี่ยกินแล้วก็ขาดสติแล้วไปสร้างกรรมใหม่แต่พระอรหันต์จี้กรงเนี่ยศาสตร์ศาสตร์ของท่านเนี่ยยิ่งเมาเท่าไหร่ยาหนรู้ยิ่งเกิดเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ทางานทุกวันนี้ที่เราทุกเพราะความคิดนะ คิดสับสนคิดกังวลคิดห่วงใยคิดฟุ้งซ่านคิดกลัวนี่คือมโนกรรมไงที่เราฝึกสมาธิจเจริญฌานทำไมสร้างกำลังเข้าไปในจิตเพื่อหนีความคิดแต่ถ้าเราอยู่แค่นั้นก็ได้ความสงบชัว่วครู่เราเดินต่อไปไม่ได้เขาเรียกว่าติดสุขในฌานหลวงพ่อชาว่ามันจะไปไหนถือศีลนั่งสมาธิมันจะไปไหน ท่านไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่มันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่ตรงนั้นไงมันเข้ากล่องปัญญาไม่ได้มันแค่สงบชั่วครู่ออกมาก็วีนอีกเพราะไอเชื้อที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่เราต้องเข้าไปในจิตในจิตไม่ใช่ไปนั่งดูจิตนะกายในกายเวทนาเวทนจิตในจิตเข้าไปเสพธรรมในธรรม ทำมลมที่บันทึกอยู่ในจิตใต้สํานึกเราในรูปของกรรมดีกรรมชั่วเรามีหน้าที่เข้าไปสาสางตัวนั้นไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสตอนนี้เราฝึกยังไงรู้ไหมสปริงเราก็ไปกดมันไว้เนาะ ก, กดไว้กดไว้กดไว้เป็นหินทับยางอันนี้ทับสปริงนะพอลูกตัวโตๆชนมาปุ๊บเด้งผางเลยบางคนกดไว้สาสิบปดปีแล้วก็กระแสกรรมมันมาปิ้งออกไปเลย ทั้งที่เคยพูดว่าเราจะไม่สร้างเรือนอีกต่อไปออกไปสร้างเรือนเพราะไปกดมันไว้ผู้เจ้าบอกดับทุกดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์คุณจะไปกดมันทำไมคุณทำลายมันซะดึงสปริงออกเมื่อสปริงมันหมดแล้วมันเป็นแค่เหล็กเส้นหนึ่งนี่ยไม่ต้องกดเลยสงบตลอดการเราต้องเข้าไปในจิตไปทำลายเชื้อมัน ไอเชื้อที่ทําให้เราไม่สงบนั้นออกมานี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสโมจะไปเพิ่มสมาธิเพิ่มสติแล้วมันจะไปไหนล่ะโจรก็มีสมาธิโจรก็มีสติมันก็มันพ้นไม่สําเร็จนะมันต้องใช้สติสมาธิมากกว่าเราอีกเพราะมันต้องย่องเบาแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาเป้าหมายคือปัญญาไม่ใช่สติไม่ใช่สมาธิ ผลสูงสุดคือ น, นิพพานถ้าจิตมีปัญญาแล้วนี่มันจะไม่โง้อทำให้ตัวเองทุกข์อีกเขาจะกล้าที่จะจางคายความยึดมั่นถือมั่นเ mm hmm. พชรพลอยเงินทองสูงเท่าภูเขาพุทสุ ม, มนเนี่ฉันก็ไม่เอาถ้าไม่มีปัญญาทำได้ไหมเรื่องอะไรทำหามาแทบตายเรามีแค่ความรู้ผิดว่าเฮ้ยหาเยอะๆแล้วเธอจะมีความสุขพวกกูหลงไปสี่สิบปีมันไม่เคยเห็นความสุขเลย มีแต่ความสะดวกสบายความพึงพอใจความสะใจเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความสุขเราถูกใส่โปรแกรมผิดนะเราถูกใส่ความรู้ผิดเข้าไปเริ่มตั้งแต่เกิดแล้วละ่ะคนที่รักเราที่สุดนะ่ะตั้งชื่อให้เราเธอชื่อบัญชานะเพราะเขาเรียกแล้วเขามีความสุขโดยที่เขาไม่ได้ปรึกษาเราเลยตอนท่านปรึกษาเราก็พูดไม่เป็น แถมของแถมมาด้วยนะพ่อแม่นับถือศาสนาพุทธไปแจ้งใบเกิดกับพุทธตามกำเนิดโดยที่ไม่รู้อะไรและพ่อแม่รักเรามากเขาห่วงอนาคตเรามากเขาก็ส่งเราไปโรงเรียนเรียนวิชาสร้างอนาคตจนลืมให้ลูกเรียนวิชาชีวิตแล้วก็ไปติดอนาคตสิ มัก็ไปหลงว่าถ้ามีอนาคตเรามันจะมีความสุขอนาคตอยู่ไหนอยู่นู่นนู่น น, นูนน่ น, นคนที่อันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ยังไม่ถึงเลยเขายังไม่หยุดเลยเขายังไม่สําเร็จเลยสําเร็จแต่ว่าเสร็จแล้วเขายังไม่เสร็จเขายังทุกข์มากเพราะกลัวที่จะเป็นที่สองแต่พระพุทธเจ้าสําเร็จแล้วสองพันกว่าปีพระองค์ ไม่มีกิตต้องเวียนไหว้าตายเกิดอีกแล้วอันนี้สำเร็จจริงๆแต่เราไม่เชื่อไงเพราะมันช่างตวงวัดไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่ชอบก็ขอยนิดนึงนะอีกสิบนาทีนะเพราะครูมีเวลาสองชั่วโมงนะตอนนี้แค่ชั่วโมงครึ่งเนาะเมื่อกี้เอ่ยถึงอาจารย์อ้อย แล้วได้ยินนะคนที่ฟังต้องได้ยินนะคนที่บอกว่าพ่อครูนี่ไม่เป็นกลางหรือว่าไม่เป็นธรรมให้เวลาคนนั้นมากกว่ากว่าฉันฟังดูก่อนเรื่องที่เราสงสัยมันน่าสนใจแค่ไหนไม่ใช่ว่าพ่อไม่สบายหลานปวดท้อง เขาครูจะทํำยังไงบอกทําใจสิหมอยังช่วยไม่ได้แล้วคุณจะทํำยังไงแต่เรื่องอาจารย์อ้อยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่เราต้องมาสนทนากันแล้วก็ทุกคนจะได้ปัญญานะที่ว่าขอสิบนาทีเนี่ยฟังดีๆนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์อ้อยเนี่ยเข้าไปเสพอารมณ์ว่าตัวเองเป็นมา้า แกรู้สึกแกห็นไแกไปเป็นมา้าเห็นไหมไม่ใช่ไป น, นั่งดูทุรทัศน์โอ้ม้ามันวิ่งเร็วมากเราเห็นแค่กิริยามันแต่เราไม่เห็นอารมณ์มันแต่นี่เราถอยไปเป็นมา้าแกรู้ว่าโอ้ยภาษาคี่บอกพลาวมากเลยแรงมันเยอะมากเลยแล้วมันเหนื่อยมันก็ไม่ยอมหยุดมันทํางานอย่างซื่อสัตย์ทําตามคําสั่งคนขี่ม้าสั่งมันมุ่งตรงเร็วเร็วที่สุด คนโบราณเขาถึงเรียกว่ากี่แรงม้าไงเห็นไหมเกียร์ตัวนี้รถม้าตัวนี้ใช้ตัวหนึ่งอันนี้ใช้สองตัวสองแรงมา้าสามแรงมา้าเขาสะท้อนเห็นถึงพลังม้าเนี่ยกําลังมันเยอะมากแล้วก็มันมันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์มากต่อหน้าที่แล้วมา้ามันก็รู้สึกว่ามันภาคภูมิใจที่มันมันแข็งแรงไง และสักพักหนึ่งจิตเดิมเขาก็ทำให้อาจารย์อ้อยเป็นคนขี่มาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจอีกแบบหนึ่งเพราะฉันเป็นคนสั่งเห mm ็น hmm. ไ, ไหมเป็นคนขี่ม้าสั่งใหญ่เลยบังเอิญว่าคนขี่ม้าเนี่ยมีเป้าประสงค์ว่าต้องให้ถึงเร็วต้องชนะก็เลยใช้ม้าตัวนั้นเนี่ยอย่างไม่บรรยำบรรยัญญง เห็นไหมพอเสร็จแล้วพ่อครูก็เดินไปถามอาจารย์อ้อยว่าอาจารย์อ้อยเป็นมา้าอาจารย์อ้อยซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตุกวันนี้เป็นมา้าหรือเป็นคนขี่มา้าไม่ใช่พรอครูพูดนะนักวิทยาศาสตร์ก็พูดเองเขาคิดไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนาทีเขาบอกว่าเขาเป็นมา้าแล้วเขาก็เอามือทุบโต๊ะเขา แรงมากตลอดชีวิตกูเป็นแค่ไม้คนอื่นขี่จบสูงสุดแล้วนะเราเป็นแค่เครื่องมือของทุนนิยมทุกมหาวิทยาลัยสนองทุนนิยมหมดและมนุษย์เป็นแค่ทรัพยากรเพื่อมาสร้างทุนให้เขาไปวิจัยเขาให้ทุนวิจัยใครให้ทุนวิจัยเพื่ออะไร แล้ววิจัยเรื่องนอกเรื่องที่เขาต้องการได้ไ้ยไม่ได้เราเป็นแค่เครื่องมือในสร้างทุนให้เขาให้เขาขี่เราเป็นม้าไงทีนี้อาจารย์วายก็มานั่งเบี่ยงอีกวิ่งไปวิ่งมามันเกิดปัญญาบอกเป็นม้าก็ทุกเป็นคนขี่ม้าก็ทุกเพราะมันกลัวจะตกมา้ามันกลัวจะแพ้ไงตอนนี้ทุกไปทั้งโลกไง เรามาปฏิบัติทำเพื่อเราจะไม่เป็นอะไรเพราะเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่มามากทุกชาติทุกคนเป็นมาหมดแล้วเป็นอะไรก็เป็นมาหมดแล้วมันถึงได้มาเกิดอีกนายเราปฏิบัติเพื่อเลิกเป็นเป็นคืออัตตาและวิชานี้เนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าง่ายที่สุดไม่ต้องคิดไม่ต้องพูด ไม่ต้องมีการกระทำใดๆทั้งนั้นวิปัสสนาก็เกิดขึ้นมีอะไรง่ายขนาดนี้แล้วถ้าเราทำสำเร็จเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราแบบเบ็ดเสร็จไม่ใช่เรื่องชาติเดียวเราตัดภพชาติได้ด้วยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่เราไม่เอาเราไม่เชื่อเพราะมันช่างตวงวัดไม่ได้ก็คุยกับอาจารย์อ้อยเยอะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยทุกคนต้องเข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ของโลกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนดีเยอะแยะเพราะเขาตั้งมั่นเขาขยันบางคนเขาเสียสละจนไม่กินไม่นอนจนลืมหายใจจนเดี้ยงเขาก็สู้แต่บังเอิญเขาถูกตั้งโจทย์ผิดเท่านั้นเองไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีเพราะความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันอยู่ภายใต้อนาต ทุนนิยมวัตถุนิยมแล้วก็ถ้ า, ถาเราสำสำสำเด็จอาจารย์อ้อยบอกทยาไม่อยู่ที่นี่นะวิ่งใส่เลยนะไอประเทศที่เขากำลังเกิดอีโบลาเป็นหน้าที่แกต้องไปหาวัคซีนมารักษาตอนนี้ไม่มีวัคซีนแล้วหมอหลายท่านไปที่นวนก็ติดเชื้อมาแล้วตายไปหลายคนแล้ว เรานี่คือแก้ปลายเหตุนะมนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้โลกนี้เปื้อนมากโกาครคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีมก็เกิดขึ้นขยะสารเคมีล้นโลกแล้วเราก็มาสร้างวัคซีนแก้ปลายเหตุสมมติว่าอาจารย์อ้อยค้นพบวัคซีนอีโบลาภาคภูมิใจช่วยเหลือมนุษย์เยอะมาก อันนี้อีโบลาแต่อีดำอีแดงมันก็จะมาอยู่นะชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องเดียววิทยาศาสตร์เราเอาเรื่องเดียวไงคือวิทยาศาสตร์เขาตั้งมั้นเขามีความดีคือว่าเขาอดทนเขาขยันตายเป็นตายเขาคิดว่าเขาทําบุญเหมือนกันนะแต่เขาไปทําเรื่องเดียวแต่ในแง่ชีวิตเราไม่ใช่เรื่องเดียวมันไม่ใช่โลกเดียวเห็นไหมบางคนไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยนะ เป็นเศรษฐีหมื่นล้านด้วยนะเป็นสอสด้วยนะทำไมมันค่าตัวตายโรคอะไรมีวัคซีนป้องกันไหมพวกครูอยากขอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาวิจัยผลิตยาเม็ดหนึ่งให้พวกครูหน่อยกินปุ๊บนี่ผ่านเลยดีกว่าไหมมีไหมเอามาวิจัยไหมเราไปสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วเราไาแก้ปัญหา ที่ปลายเหตุนะเราขบวนวิทยาศาสตร์ถูกต้องแล้วนะผู้เจ้าสอนแบบวิทยาศาสตร์ยอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อตำราพระไตรปิฎกก็ตำลาไงแต่ตอนนี้เราสอนลูกหลานเราไปท่องตำราไม่ทําตามตำรานะตำราบอกอะไรรู้ไหม ตำลาก็เขียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนั่นแหละแต่ไปท่องปริยัติอย่างเดียวนะไม่เคยปฏิบัติมันจะเข้าสู่ปฏิเวทได้เลยแล้วเจ้าชายสิทธัตานเนี่ยไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่เคยท่องตำราท่านพระ อ, องค์จึงพ้นทุกข์ไงพ้เพราะต้องเสียเวลาไปท่องไงอันนี้เรามาสอนลกูกหลานเราต้องท่องมันก็มันก็แค่เป็นผู้รู้คําสอนเฉย แต่ไม่ใช่ไม่เคยทำตามคำสอนเลยมันจะพ้นทุกได้ยังไงนี่แหละเพราะว่าทุนนิยมเองเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ลูกหลานเราเนี่มีปัญญาเขาต้องการให้เราเป็นแค่มา้าให้เขาขี่เป็นม้าผู้ซื่อสัตย์เห น, นื่อยแค่ไหนฉันก็ยอมฉันซื่อสัตย์และทีนี้ไม่ใช่อาจารย์อ้อยไปสัมผัสอารมณ์ว่าเหนื่อยใช่นะ แล้วก็ออกจากกรรมฐ า, านนี่เดี่ยงอยู่หลายวันขาเดินไม่ได้เขาก็ทำให้รู้ว่ากรรมดีก็ต้องรับทั้งโลกไม่เอาหรอกอยู่ดีๆมาปฏิบัติให้มันเจ็บปวดอันนี้คือคนที่ขี้เหนียวนี่นี่แหะคือการจ่ายหนี้อาจารย์อ้อยไม่ต้องกินยาทุกเม็ดเลยเพราะจิตมันสู้ไงอะเดี๋ยวมันก็หาย เดี๋ยวพรุ่งนี้มาปฏิบัติใหม่โอปรแกรมอื่นขึ้นมาอีกวันนั้นปวดท้อง9ก้าวันไม่ได้ออกมาแล้วก็ไปเห็นว่าตัวเองเป็นขุนศึกเนี่ยไปฆ่าคนเยอะมากแล้วก็ไปแทงท้องเขาเนี่ยพอเสพมันรับกรรมตรงนั้นมันก็หายถ้ามันปวดจริงๆมันต้องไม่หายสิมันเป็นธรรมอารมไงแต่เหมือนปวดจริงๆเลยทำให้เรารับกรรมตรงนั้น เราทัอย่ากลัวนะถ้าใครมาปฏิบัติแล้วเกิดอาการท้องอืดท้องล่วงเวียนหัวปุบเจ็บเนิมเจ็บนีเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงอาการความไม่ปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความปกติของแนวนี้มันกําลังปรับสมดุลของร่างกายจิตเขากำลังปรับของร่างกายนะต้องขันตินะอย่าขันแตกก่อนนะ ข้ามพ้นความเคยชินเราให้ได้คือกิเลตนั่นแหละจะเป็นความอายความลังเลสงสัย่ะวิตกวิจารเนี่ยเห็นไหมวิตกวิจารปิติแม้กระทั่งปิติแม้กระทั่งสุขต้องข้ามมันให้ได้ถ้าติดบ่วงเหล่านี้อยู่เราเข้าไปสู่จิตในจิตไม่ได้เหมือนลูกข่างเนี่ยเราต้องใช้สองนิ้วหมุนหมุนปุ๊บมันจะเวียงสักพักเด่งมันจะนิ่งมันไม่ได้ฝึกสมาธินะใครทําให้มันนิ่ง แรงเวียงทำลายสนามแม่เหล็กความคิดดึงมันไม่ได้อารมณ์ที่ใจดึงมันไม่ได้มันก็อิสระมันนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บมันก็หลุดออกไปไหวนิ่งหลุดเข้าไปในจิตเราใช้พลังลมปราเนี่ยซึ่งเรียกว่าอาณาปานาสติแต่ตอนนั้นเราฝึกอาณาพิสติสั้นก็รู้อยากก็รู้อยู่แค่อาณา เรายังไม่ทำให้อากา ศ, ากาศนั้นกลายเป็นปราณะเป็นปราณพลังงานทุกอย่างต้องหมุนเห็นไหมสตาร์ทรถติดแล้วมันหมุนปุ๊บเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้ใส่เกียร์ดับเลยเพราะว่าพลังไม่พอต้องเร่งเครื่องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจักเข้าไปสู่จิตในจิต แล้วเราจะเสพทำในธรรมแล้วก็มีโอกาสขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะอันนี้ก็เข้าๆบังเอิญว่ามีคนมาใหม่ด้วยก็แถมตรงนี้ด้วยแล้วคนเก่าที่เกิดข้อกังขานะวันหลังอย่าไปเตะต้นไม้อหัวชนเลยมันจะได้หายโง่นะถ้าไปชนจริงๆไอ้ง้่งถือว่ายัง ม, มีไม่มีสติอยู่ทําตามอารมณ์ไม่ขึ้นชื่อว่า ผู้บำเพ็ญเพียรทำตา ม, จมาจอารมณ์ตัวเองเนาะโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตานาคุณพระศีริัตานาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วงกับประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิเน